จงนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้ง mm hmm. เพื่อมาสนทนาทำถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาและทุกคนที่เข้ามาร่วมคนแรกก็คือเด็กชายพีเควัสดีจ้า กลับนมัตการมค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างจ้าลูกตอพระอาจารย์ครับใช่นะครับพระอาจารย์้วาสวัสดีสวัสดีนจ้าสวัสดีครับพอาจารย์เ่อวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังหมอืมไม่มีคาถามครับพระอาจารย์ที่ไปามาแต่ว่าเมื่อันเมื่อวันเป็นวันยาว จันไปวัดนักแก้มเมื่อวาไปวัดพระแก้วมาครับพระอาจารย์ไปทาอะไรครับเดี๋ยวไปทาอะไรมั่งมัที่ัด ก, กไกรไไหไว้พระหนึ่งไปไหว้พระครับพระอาจารย์ไปสวดมนต์เปล่าครับใช่ไหมสวดครับพอจเดี๋ยวนี้จะมาสว ด, ด, ดให้ฟังอีกีได้ไ สั่งมาสัพุทธประกว่าพุทธังันเปี้มัตังพุทธังพักเขาอันตังอัี้ว่าเทมีสว่าขอตประว่าเธอทมุตัมมันนามาสร้างีสุปะดิปันโนประกว่าตัวากัสังโก สังนั้กินะมทศกวสามัคคีตตัวัตุตุสามัคคีตสสันโมตัสสะพักวัตุวัลฮาตุสามัคคีตัสสันโมปติอิวัตุหังสันโมสตเรปนนาวอนุตบสมัาีสท้าเทวมานต สวัสดีสวัสดีสวักดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสววัสดีสววัสดัสัสดีวัสดสววสััสัวสััว สาวกสัีชิบะยาวะโตสวกสยที่จันจจรสุคันยะจัสบุบสวกสคนยคนยนนจกนมาก อ่าสาธุเก่งมากไปไารู้สึกจะหมดแรงนะวันนี้อยู่บ้านค่ะว่าอาจารย์เล่นทั้งวันไปแล้วเลยปอากาบพระอาจารย์ก่อนค่ะบกราบกราบครับ่วนบนทุกคืนก่อนนอนนะครับได้ไหมครับยด้ครูได้ครับ่วันนี้มากราบพระอาจารย์เฉยๆเจ้าค่ะโอเค อาจารย์ภาคแข็งแรงนะคะจ้าสาธุจ้าค่ะเดี๋ยวเอาไปฟังต่อข้างนอกค่ะจ้าอ่าชาวานชาวเจ้าที่ปลารามาตรการพระอาจารย์ครับง่ายง่ายครับมาส่งกันบ้านเช่นเคยครับเอ่าบ้าเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้องคนความตายไปไม่ได้เราจะละาเป็นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องแล้วเราลผลของกรรมนั้นๆเสียไป เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ตกวันตกวันเถิดเราจำเลยนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะ <c oughs> <c oughs> ที่แก่เจ็บตายไม่ใช่เราแต่เป็นร่างกายของเราครับร่างกายที่มีอาการสันสองเช่นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยี่ยในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับ พั้งพืชไตปอดไซใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสับน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหนื่อ น้ำเลือดน้ำเหลือน้ำเสด็จน้ำดียื่ในสมองศีษะอาหารเกา่าอาหารใหม่ใช้น้อยใชใหญ่ปอดไตของอื่นตับหัวใจมา้ามเยื่อนกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนผิน โอเคครับด่างกลายของคนอื่นด้วยนะครับโอเคอย่าไปดงร่างกานะครับอืมดงรักกันดูก็ครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรไครับโอเคเอ็นก็ไปที่น้องตะวันขอบคุณนะพระเจ้าครับตะวันหายหน้าไปไหนมาครับมัสคัมพระเจ้าครับ อ่าเป็นยังไงบ้างหายไปหลายเดือนแล้วนะวันนี้เอ่อเออผมมีโรงเรียนมาเป็นถึงประมาณเอ่อประมาณสองโมงครับเอ่าไม่ทันตอนนี้กี่โมงแล้ที่ฮอลแลนด์เอ่อตอนนี้มาเป็นสองโมงครับสองโมงกลับมาก่อ น, นวันนี้อใช่ครับธรรมดาต้องเลือกสองโมงก่อนแล้วค่อยกลับมาเลย เออเป็นเพราะว่าวันนี้ก็สามโมงครึ่งนะบางทีก็สมค่มันเป็นประมาณวันนี้เขามีมาสอบแค่วิชาเดียวใช่ค่ะผาจารก็เลยกลับมาได้จังหวะพอดีที่จะเข้าซ o มกับผาจารย์ค่ะอ๋อไม่เช่นั้นก็เข้าไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอเคคิดถึงไหมคิดถึงครับแน่มีนาไจะมารายงานหรือมาถามไหมเออวันนี้ผมต้องสารภาพอะไรครับสารภา พ, าพ ว, ว่าอะร ชมาเข้ามาถ่ายไปนานเข้ามาถึงก็แจ็คพอตเลยมีเรื่องให้สารภาพอาว่ามามันเป็นเพราะว่าเออวันนี้ผมก็กำลังไปโรงเรียนอยู่แล้วผมก็ต้องล็อกประตูเออแล้วเพราะว่าตอนเอผมล็อกประตูผมก็ขี้เกียจเอาไว้เ อ, อทําทํากุญแจในชื่ออะไรกับใ น, ในช่องจดหมายในช่องจดจดหมายก็เลยว่มามันผมก็เออ ผมก็หิบกุญแจไปโรงเรียนแต่อันนั้น<ช>แต่ฉันมันมันแต่จริงๆมันไม่อนุญาตครับแล้วกลับแล้วแล้วตอนผมกลับมาบ้านผมก็โกหกว่าผมหิบไปครับผมไม่ได้หยิบเอ้ยผมไม่ได้หิบไปครับทําจริงเนอะตะวันหยิบไปอืมใช่ครับทําจริงต้องเก็บกุญแจไว้นในตู้จดหมายเหรอใช่ครับเผื่อคนอื่นจะได้เข้าได้ใช่ไหม เออแม่จะได้ออกไปข้างนอกได้ก็อ๋อแล้วแม่เขารู้ก่อนนะบอกว่าตะวันลืมเอากุญแจไปด้วยเออไม่แม่รู้ยังไม่รู้ค่ะเอก็เลยถามก็เลยจับจับได้ทันควันเลยว่าทําไมถึงโกหกแม่เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วทําไมถึงเอากุญแจไปด้วยล่ มันเป็นเพราะว่าผมขี้เกียจครับผมผมไม่อยากเกาเดินอ้อมไ ป, ไปที่ด้านหน้า<ป>ของบ้านครับเสียงมันหายต้องเุณแจไปไว้ด้านหน้าใช่ครับก็เลยขี้เกียจเอาไปเอาไปโรงเรียนเลยใช่ครับหรือคุณไม่น่าจะไปข้างนอกก็ไป ไ, ได้ใช่ครับอเอนลองโทนยังไงหรือเปล่าเออตีกับไม่เรียนกับ กับไม่เรียวแม่เรียวโดนไม่เรียวเลยใช่ครับเดี๋ยนี้ก็ยังอนุญาตให้ตีแม่เรียวได้เลยอืมก็ในประเทศฮอลแลนด์จริงๆไม่ได้แต่มันตีเอาไว้สอนสอนผมครับสอนนะถ้าถ้าถ้าตวันไปฟ้องตำรวจตำรวจมาจับแม่ได้เปล่าก็แม่บอกให้ตวันไปโทรศัพท์หาตํารวจเลยใช่ไหมอืมแต่ไม่ทําไกงไม่ทําเลย ไม่เป็นไรยัยอมให้แม่ตีใช่ั้ยใช่ครับแต่ก็ไม่ชอบเพราะมันเจ็บครับแม่ตีจริงๆเลยหรอก็ก็ตีกับหมาย้ว็มันก็เจ็บอยู่แต่ขอทางกฎหมายก็ห้ามตีใช่ไหมก็ตีจริงๆไม่ได้ครับตีไม่ได้นะแต่วัาวั้นไม่ไปฟ้องตำรวจนะ ไม่ครับอืมคุณแม่ไว้ยไงอ่อคุณแม่ก็ผมก็เคยถามแม่ทําไมแม่ดีแล้วแม่ก็พูดมันเป็นเอาไว้สอนมันมี ม, มันมันเป็นอะไรที่เป็นดีเอาไว้จะทำครับคุณแม่ไม่กลัวตวันไปฟ้องตํำรวจเลยหาพระอาจาก็โยงก็โยงก็บอกให้เขาไปไปไปไปโทรอยู่เจา้า จะได้ลากตัวแม่ออกไปสักทีหนึ่งก็จะได้ไปพักอยู่ที่กิโลพักสักคืนหนึ่งก็ยังดีเจ้าค่ะพระอาจารย์อถ้าไปฟ้องตำรวจก็จะมาจับไปเลยไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขอาจะดูมาเขาว่ามีรอยแผลไหมหรืออะไรไม่ยมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตีจนถึงขนาดมีรอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตีตีเพื่อสั่งสอนแต่ว่าไม่ได้ตีเพืด้วยความแบบว่าอาฆาตพยาบาทอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ แต่ทางกฎหมายเขาก็ยังถือว่าผิดอยู่นะทางกฎหมายถือว่าผิดอืมที่นี่เขาก็ไม่ไม่ให้ทํานะคะอไม่ให้ทํานะก็ไม่เป็นเาะว่าที่เพราะว่าทางโรงเรียนเขาก็เขาก็ไม่มีตีเด็กเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มีกฎหมายอยู่ระวังกัรเด็กไม่ให้เด็กทํา้ายนะใช่เจ้ค่ะพระอรย์ก็เป็นแบบสองคมดีอย่างเสียอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เขาก็ไม่ีวิธีลองโทษแบบอื่นใช่ไหมมีวิธีค่ะคระอาจารย์ แต่ไม่รู้ได้ผลได้ผลหรือไม่เ uh ช่นอืมเขาก็มีกักบริเวณเมื่อก่อนนั้นก็ไม่ได้ตีนะคะเมื่อก่อนนี่ก็กักบริเวณบ้างไม่ให้ออกไปเล่นบ้างอะไรแบบนี้ใช่ค่ะพระอาจารย์ห้ามห้ามแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยเท่าที่คุยคุยเนี่ยอือตะวันหนูเคยถามเด็กไหมว่าพ่อแม่เขาลงโทษยังไงหนูเคยถามเด็กคนหนึงไหมเป็นว่าเขาเล่นเขางอกมาได้ และแล้วแล้วเออเอเวลาเล่นเกมก็น้อยขึ้นแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนนิสัยไหมเขาเปลี่ยนนิสัยไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอแต่ก แ, แต่ถ้าเป็นก็ก็รู้เท่าที่เท่าที่ทราบมานะคะภาษาอือกฤษแล้วก็มีอื่นที่เล่าไหมเรื่องคอมพิวเตอร์ที่หนูหยิบขึ้นไปข้างบน่ะมีสรารภาพภาษาใช่เออมาเป็นประมาณเ อ, อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วครับสองครับผมก็เออหยิบ หีแบแล็ปท็อปหีบแล็ปท็อปข้งผมไปข้างบนที่ห้องเพราะว่าผมอยากเขาเล่นเกมครับอ๋อแอบไปเล่นเกมเลยใช่ครับทั้งคืนเลยเจ<ร>้าค่ะพระอาจารย์ประมาณหนึ่งเดือนนี่เกิดขึ้นประมาณสามครั้งเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ซึ่งจรคือเราไม่อนุญาตอืมแล้วถูกลงโทษหรือเปล่าโดนครับโดนอะไรโ ด, ด, ด, ด, ดนไม้เลี้ยวมั้งคะเนี่ยตอนนั้นโดนอะไรตอนนั้นก็โดนไม้ก็กักบริเวณแล้วก็ไม้เลี้ยวด้วย แล้วคุณพ่อไม่ว่าอะไรเลยคุณพ่อ ก, ก็โดนมะกันก็ก็โดนก็โดนคุณพ่อก็ตีเราด้วยเลยมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นครับมันเป็นพ่อพ่อจะโกรธแล้วน้อยใจแต่พอแต่แม่จะดีกับอ่าโอเคอย่าไปทำให้แม่ต้องมาลงโทษหล้วนะพยายามทำความดี<ช>ถล้วยังนั่งสมาธิอยู่บเปล่า นั่งกับหนึ่งชั่วโมองทุกวันหนึ่งเออครึ่งชั่วโมองในเช้าแล้วแล้วครึ่งชั่วโมงในตอนเย็นครับออนั่งทุกวันอยู่นะเช็คกับเอเคดีแล้วทิ้งของดีแล้วสถานี้ทำอะไรแล้วเออประมาณสามวันที่แล้วผมก็นั่งสามชั่วโมองเออนั่งกับเ <ขอ S 3> ดินสลับกันใช่นั่งกับเดินสลับกันแล้วนอนก็ด้วย ก็เลยทุกท่านชุอมนุมพุ่งกันเปดินนั่งหลุอน อ, อ่ น, อนทำสมาธิหรอหรดอเดิน่งคงครับอ่าแล้วเป็นยังไงได้ผลดีไหมก็จิตมันก็รูส้สกดีขึ้นครับอ่าดีขึ้นสงบไม่วุ่นวายนะใช่ครับอา่าพยายามทําบ่อยๆแล้วต่อไปจิตเราจะจะสงบใช่ครับจะไม่ทําผิดง่ายๆอ จะสู้กับความอยากได้เวลาอยากจะทํำเพจกมีสติเตือนว่าห้ามทํานะได้ครับอ่านูถามครับว่าตะวันสมควรจะได้กินข้าวไหมเพราะว่าท้าตะวันกินข้าวเย็นเนี่ยตนวันก็จะมีแรงมังโกฮุอิตหนูลองถามพระอาจารย์เอาเออผมก็มีคำถามครับเออตะวันเออผมแองเจอสมคนเอาไว้กินข้าวเย็นได้ไหมเพราะว่าผมหิวมากเลยแต่แม่ก็พูดว่า ถ้าปุ้งจะกินข้าวปุ้งก็จะมีแรงเอาไว้โกหกอีกครับเอี่ยอันนี้ห้ามเฉพาะวันที่โกหกเลนี่นทุกวันเออก็ไม่รู้คิดว่าแค่แค่วันนี้กรับแล้วแต่พนน แ, แต่ิกรร ม, มครับอ่าก็เป็นวิธีลงโทษที่ดีเพราะว่าถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราไม่ไม่ลงโทษเราก็จะไม่เข็ดเราก็จะทําอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเร า, า จ, จะไปทํา ผิดที่ร้ายแรงกว่าการโอด ก, กินข้าวเขาอาจจะถูกจับไปติดคุกติดตารางก็ได้ยันถ้าเราซ้อมไว้ก่อนซ้อมห้ามใจไว้ก่อนตอนนี้เราจะได้ปลอดภัยจากการต้องไปติดคุกติดตารางยังต้องถือว่ามันเป็นการซ้อมนะซ้อมซ้อมลงโทษตัวเองให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ดีถ้าเราไม่ลงโทษไม่ห้ามตัวเราเองต่อไป ข้าหน้าเราไปทําผิดที่ร้ายแรงกว่านี่ถ้าเราจะต้องไปติดคุกติดตารางใช่ครับนะงัต้องมองในแง่ดีว่าการลงโทษก็ก็ดีถ้ามีเหตุมีผลถ้ามีไว้เพื่อสอนเราเพื่อปลาลมเราเพื่อห้ามเราไม่ให้ทําผิดงี้ก็ควรที่จะยินดีรับโทษนะใช่ครับงั้นยอมยอมกินข้าวเห็นไหม จะ ไ, ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเวลาทำผิดแนละ้วโทษมันตามมาใช่กับผมคิดว่าจะยอมครับคิดว่าจะยอมคิดว่า <laughs> <Okay. S 2> กิม น, น้ำได้ <laughs> ให้ดื่มน้ําได้ออือเพราะว่าเดี๋ยวตายเดี๋ยวแม่ขี้เกียจเบืองเงินไปทํำศพตะวันให้กินน้ําได้เป็นแม่ของฉันไม่ตายแล้ว <laughs> มานั่งสมาธิแทนแต่เวลาหิวข้าวนั่งสมาธิแทน <laughs> ที่หิวไม่ใช่ร่างกายหิวนะ ที่หิวคือใจหิวแล้วว่านักสมาธิเท่ากับเราให้อาหารใจพอให้อาหารใจใจสงบใจก็หายหิวเราจะไม่เดือดร้อนไม่กินข้าวเย็นไม่เป็นไรอย่างหลงตาเนี่ไม่ได้กิ น, ข, น, ข, ก น, กนข้าวเย็นข้าวกลางวันกินแค่วันข้าวเช้าข้าวมื้อเดียวมาตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็อยู่ได้ร่างกายมันมันไม่ใช่ตัวหิวตัวหิวคือใจ แล้วถ้าเรานั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆทาใจให้สงบอยู่เรื่อยใจก็จะอิ่มใจก็จะไม่รู้สึกหิวเห็นเวลาถูกลงโทษก็ถ้าหิวก็นั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็ลืมความหิว mm hmm. ต้องมองว่ า, วาดีใช่ไหมธรรมดาเราอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิแต่พอถูกลงโทษเราก็ต้องใช้สมาธิช่วยเรา <S 2> <S 2> <S ใช่ครับอ่า โอเคดีมากมีอะไรไหมคุณแม่ยมได้มันจะเปลืองเวลานา น, านไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ม่เวลาพูดได้นานา น, นะอ๋อใช่คะ<ๆ>เยอะอันนี้อ่าก็อายอมมียอ ม, มหายห่างหายไปไปนานเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ไปไปเร่งปฏิบัติภาวนาเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็มีร า, ายงานจะรายงานผลการปฏิบัติให้พระอาจารย์ฟังด้วยเจ้าค่ะาว่ามาเลยค่ะ ก็ไอตอนจากเดิมใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่พระโยมภาวนาอสุภะเป็นเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะทีนี้พอภาวนาเปเนี่ยมันก็มันก็เกิดเป็นนิมิตกระดูกขึ้นมาเนาะจ้ะค่ะพระอาจารย์แล้วตอนนั้นก็ได้อนิมิตกระดูกเนี่ยเอามาเอามาเผาทำลายลงไปจนเพื่อที่ว่าจิตมันจะได้เห็นว่าเป็นเรากับกายมันมันมันแยกกันมันมันมันมันแยกกันไปและไอกระดูกมันสลายลงไปแล้วก็ อนาคตลงไปคือกายกับจิตมันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็เมันมีสภาวะเกิดขึ้นนะคะอตอนนั้นมันพอเห็นคนหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวบางทีดูทีวีอยู่หรือมองหรือไปข้างนอกอย่างนี้ยมันเกิดความรู้สึกว่าพวกเนี้ยเขาก็ตายหมดเลยเขาก็ต้องตายหมดเลยต้องแตกสลายหมดเลยแล้วมันก็รู้สึกสศดสังเวน้后后 enfin, ําตามันไหลขึ S> <S ้นมาอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นอยู่พักหนึ่งจากนั้นมันก็ มันก็หายไปทีนี้โยมก็ก็ยังพิจารณากายอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนั้นก็อัคคุภะกายคตาสติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปเรื่อยๆจนล่าสุดนิยมก็ฝันเกี่ยวกับอัคุภะมันจะฝันบ่อยอะเจ้าค่ะพระจ่าล่าสุดนี่ก็ฝันเห็นเห็นคนนะคะกอดกระดูกกระดูกชิ้นเบลอเลยแล้วกระดูกนั้นเนี่ยมันมีเป็นเป็นชุ่มไปด้วยเลือดเลือดนะเจ้าค่ะพระจ่าในฝันโยมก็ อ่ายืนยืนมองอยู่นะคะแล้วก็มีคนอ่ะมากระซิบถามโยมว่าเราอ่ะจะไปกอดแบบคนนั้นหรือเปล่าไปกอดกระดูกเลือดที่ที่เปื้อนเลือดแบบคนนั้นหรือเปล่าโยมก็บอกว่าถ้าเป็นกระดูกเฉยๆอาจจะไปกอดแต่ถ้ามีเลือดด้วยอ่ะไม่เอามันสกปรปกแล้วโยมก็ตื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โยมก็คิดว่าเอ๊ะฝันแบบเนี้ยมันจะต้องมีความหมายอะไรหรือเปล่าโยมก็คิดว่าเอ๊ะไอ้กระดูกที่โยมเคยพิจารณาเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันมัน มันพิจารณาเพื่อให้เห็นความแตกสลายของกระดูกแต่ว่ามันมันไม่ค่อยเห็นว่ากระดูกมันสกระโปงอะค่ะทีนี้ในฝันน่ะมันมันมันม น, Lauren นึกถึงว่าเลือดมันสกระโปงโยมไม่อยากเข้าใกล้โ ย, ยมก็เลยเออคิดว่าเอางั้นก็พิจารณาเลือดแล้วกันนะคะผจญโยมก็เลยพิจารณาว่ากีดกีดเนื้อโคนกีดเนื้อตัวเองลองพิจารณาแบบกําหนดจิตกีดเนื้อของเราของคนอื่นเนี้ยให้เลือดมันไหลออกมาอย่างเงี้ยเจ้าเจ้าขาว่าจะโยมก็ทําไปเรื่อยเรทีนี้ แล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะพระจายมก็ฝันอีกเ อ, อฝันเห็นว่ามีหนอนออกมาจากอวัยวะเพศของโยมอย่างนี้ค่ะพระจารย์ยมก็แล้วแล้วโยมก็ตื่นโยมโยมก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ยมาพิจารณาให้ให้เหมือนร่างกายโยมอะ่ะมันมีหนอนขึ้นหนอนเจาะ บ, บางครั้งมันก็ชัดบางครั้งมันก็เกิดความสลดสังเวชบางครั้งมันก็เฉยๆค่ะจนจนล่าสุดน่ะโยมนั่งดูทีวีอยู่ใช่ไหมคะโยมก็ลองนึกแบบเล่นๆกาหนดจิตว่า ให้หนอนน่ะไปเจาะตาเจาะหน้าคนนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วจากนั้นคือเอผ้าแบบมันก็ดําเนินตอมันไปเองเห็นเนื้อเนี่ยของคนเนี้ยมันมันมันเน่าเปื่อยมันละลายลงไปแล้วตอนนั้น่ะจิตมันมันสลดสังเวชมากค่ะพระอาจารย์จุดน้ําตามันไหลแล้วท่านรานั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจกําหนดจิตขึ้นมาแต่ว่ามันเห็นเป็นฟองน้ํำนะคะฟองน้ําฟองหนึ่งน่ะมันมันพองขึ้นแล้วมันก็แตกโปะออกมาตอนนั้นเนี่ยเหมือนจิตมัน เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไอ้มันยึดถืออะไรไม่ได้เลยมันเป็นมายาไปหมดมันต้องแตกสลายมันมันมันว่างไปหมดเลยจ้ะค่ะพระอาจารย์ตอนนั้นโยมรู้สึกแบบวุ๊ยมันมีความสุขมากมันอยากภาวนาต่อมากโยมก็รียปิดทีวีโยมก็เลยนั่งนั่งภาวนาโดยยกร่างกายของโยมมาพิจารณาต่อยกยกให้ให้หนอนเจาะให้หนอนเจาะร่างกายตัวเองให้มันให้มันเน่าสลายลงไปเหมือนกับ ก่อนหน้านั้นที่ยมพิจารณาของคนอื่นนะคะพระอาจารย์แล้วก็พิจารณาลูกพิจารณาเสียงพิจารณาทรัพย์สงบักต่างๆให้มันให้มันให้มันให้มันบ้างลงไปสลายลงไปหมดนะคะพระอาจารย์ตอนนั้นคือมันโไม่มีความสุขมากเช่าหมะพระอาจารย์จนพอออกจากภาวนาเนี่ยรู้สึกว่าเ อ, อ้ยเห็นแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเข้าใจไหม ขาดภาฌานขาดพวกนี้ต้องทําอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะจกว่าเราจะมั่นใจว่าเราไม่มีปัญหากับมันแล้วเขาดภาฌานเพราะมันมันถ้ายังมีปัญหาอยู่ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมมันก็ยังไม่ยังไม่ปล่อยมันยังไม่ถอนละถอนโคลจช่ไหมยังไม่ถอนล้วถอนโคนถ้าเราหยุดปั๊บเดี๋ยวมันก็กิเลสก็เข้ามาแทนที่ได้ทีนี้เวลามันงอกใช่ไหมเวลามันงอกกูมันมันงอแบบเยอะเลยผัดดอกออกโผล่ งั้นเรายังต้องพยายามทำไปเรื่อยๆทไปเรื่อยๆอ ย, อย่างนี้จนก่รเราสามารถคุมจิตได้คุมกิเลสได้คุมให้เราไม่กลัวความความตายได้ให้เราไม่ไม่มีความรักชอบใครอีกต่อไปค่ะอ่าถ้ายังมีรักยังช้ำอยู่สลับกันไปอยู่นี้ก็แสดงว่ายังยังหลงอยู่ บางทีก็หลงบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นเวลาเห็นก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เวลาไม่เห็นไม่เห็นก็อยากจะเข้าใกล้ก็ดีก็ถือว่าทำมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าต้องทําต่อเนื่องให้มันไม่มีปัญหากับร่างกายของเราเพื่อให้ของคนอื่นเลยร่างกายของเราก็พร้อมที่จะปล่อยให้มันตายร่างกายคนอื่นจะตายเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ แล้วก็ไม่มีใครไม่มีความอยากจะอยู่ก็ไม่อยากจะหาความสุขจากร่างกายของใครต่อไปอ่ะอืมก็แบบเจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็พระจะเมีอจะชีนะเพิ่มอีกไหมคะก็เนี่ยแะแค่นี้แหละให้เข้าใจสองประเด็นเราพิจารณาสุภาษแล้วก็ิรีนันนิจจากไม่เที่ยงของร่างกายอนันตาด้วย อ น, นันตตาคือร่างกายไม่มีตัวตว น, นเป็นแค่ดินน้ำลงไปเป็นแค่อาการ32ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ใช่ร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายคือใจเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่ดั <c oughs> นั้นเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายดังนั้นถ้าร่างกายตายไปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เจ้าขาพระสาร แล้วก็เรื่องเจ้าตะวันนี่บางทีเมื่อก่อนนี่เวลาเขาทําอะไรผิดนี่บางทีก็ไม่คุยกับเจ้าตะวันนี่สองวันเลยแต่ตอนนี้แต่ตอนโกแ ต, ต่ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นมารู้สึกว่ามันดีขึ้นมาเพราะว่าบางทีเราก็มาดูตัวตัวโยมมากอที่เมื่อก่อนโยมก็ชั่วนะแต่ว่าใครมันจะไปไปชั่วตลอดอ่ะมันจะต้องมีที่แบบว่ากลารเป็นคนดีขึ้นมาบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ดีชาตินี้มันก็ต้องดีชาติหน้ามันจะต้องมีวันที่มันที่มัน ที่มันมันเรียกว่าอะไรว่ามันว่ามันเปลี่ยนไปอย่างป็นอนิจจังอย่างนี้ยจ้ะค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสอนเขาแบบไหนที่ว่าจะได้ถูกจุดเขาเขาจะได้ปรับเปลี่ยนแต่ยงคิดว่าท้ายที่สุดเอ่าอย่างเจ้าตะวันเนี่ยถ้าเขาเห็นเห็นโทษของการกระทําของเขาว่ามันไม่เป็นประโยชน์เขาก็จะจะจะปล่อยวางสิ่งที่เขาก็ทําไม่ดีได้อย่างนี้จ้ะค่ะพระอาจารย์คือเขาต้องเห็นโทษของเขาเองเพราะว่ายงไปบังคับว่าคุณจะต้องเห็นโทษนะคุณต้องไม่ ไม่ทําผิดกฎกติกานะคุณต้องซื่อสัตย์นะคุณต้องไม่ไม่โกหกนะอย่างเงี้ยไปบังคับให้ใครกันไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เพียงจะบอกเขาท้งนนึงให้เขารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชื่อส่วนก็จะเลือกทําอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของเขาใช่ค่ะแล้วเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของการกระทําของเขาต่อไปใช่ค่ะอืมมันก็หายกดเร็วขึ้นมาหน่อยเราเรามีหน้าที่สอนเมื่สอนเม้่อไปใช่ใช่ ส่วนเขาจะทําหรือไม่ทำํำนี่เราไปห้ามเราไปสั่งเข้าไปได้ได้ค่ะแต่มันก็มีเสียใจบ้างนะคะพระอาจารย์ว่าโอ้ยเราเร า, เ ร, าเรียนไม่พอเราละเราอยากใช่อยากละใจร้อนได้ว่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกโกหกสักทีนะใ ช, ใช่ไหมเราเรายังอยากจะให้ก็ไม่โกหกมันก็เป็นกุยเป็นกุอยากให้ก็เป็นมรกรอย่างนี้ <laughs> วเวลาเงินโยมซื้อซื้อต้นทุเรียนมาปลูกเนี่ยใช่ไหมคะว่าสาแล้วเวลาโยมจะจะกินโยมต้องปีนต้นทุเรียนไปหรือมันมีหนามเห็นไหมโยมก็ต้องเจ็บใช่ไหมคะโยมอยากอยากเอาต้นทุเรียนมาปลูกเองไม่ยอมเอาต้นต้นกล้วยมามันจะได้ปีนง่ายก็ต้องโยมรักสภาพนะต้องเมตตาถอนนึกคำเมตตาเ้าถ้าก็เชื่อไม่เชื่อเราเป็นอุเบกขาวางเฉยไป โยมก็ต้องพยายามวางอารมณ์โกรธของโยมด้วยถ้ามันยังไม่ร้อยเปเซ็นมันก็ต้องต้องวางให้เร็วที่สุดแต่ว่ามันก็มันดีมันพอมันจะดีขึ้นมามาบ้างแล้วค่ะทุกน้อยลงใช่ไหะพระอาจารย์ทุกสซาลงทุกน้อยลงก็ยังพอโกรธปั๊บรู้ทันทีเลยเนี่ยทึงจะดีพอจะเริ่มโกรธว่าอ่ะแล้วจะโกรธเขาแล้วนะพยายามอย่าพยายามนะอยายามให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราะอืแล้ะก็ต้องปฏิบัติควบคู่กันในชีวิตประจําวัน กินเราก็ยังดิ้นไปดิ้นมาอยู่จะมองไปก็เขาก็เป็นเหมือนตัวมาทดสอบอารมณ์เราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าโยมก็ไม่ค่อยไปสูงชิงกระใครเลยเขาเลยบอกว่ า, <c oughs> ามานบามีปัญญาบังเกิดบามีบังเกิด <c oughs> ใ, ใช่ค่ะถ้าไม่มีมาบาลมีคือขันติบาลมีก็ไม่เกิดพ้<ช>มีมา ม, มาอยากใจเราให้โกรธนี่ต้องมีขันติให้เยอะต้องอดทนอดกันใช่ค่ะอืม ครั บ, รบดูไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆดูเขาดูเราด้วยอย่าเป็นดูแต่เขาอย่างเดียวใช่ค่ะอโดยเ<ะ>ฉพาะดูนราที่สำคัญกั่ดูเขาจะได้ซ้ำไปใช่ค่ะบางทีบางทีเห็นเขาทาแบบนี้บางทีไม่พอใจอก็<อ>พระทานโยมใช่ค่ะแล้วบางทีอย่างบางทีช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยตอนนั้นมีเด็กเขาจะเล่นปฐาชินะคะแล้วพอดีโยมเตยไปกับเจ้ตวนันไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ย ก็มีเด็กมาจุดประทัดใส่ตอนแรกก็โมโหเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะปกป้องลูกว่าเออเดี๋ยวมันจะมาโดนอ่าเจ้าตะวันอะไรอย่างเงี้ยแบบบาดเจ็บโยมก็ตอนนั้นก็โมโหนะกลับมาบาก็ยังโมโหอยู่เลยแม่ทําไมมันชั่วอย่างนี้เนาะไอเด็กคนนั้ น, ม, นมันเด็กเปรตมันชั่วจริงๆเลยทีนี้ก็โกรธความโกรธก็ขังอยู่นะคะพระอาจารย์ทีนี้พอไปทําธุระใ น, ใ น, ใ, นในห้องน้ำปุ๊บอยู่ดีๆมันก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆ เ, เราก็เอาประทัดอ่ะไปจุด จุดเพื่อนบ้านนะคือเหมือนว่าจะไปแกล้งไปแกล้งเขาจะไปดูปฏิกิริยาเพื่อนบ้านว่าเขาจะตกะใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเจตนา ท, ทําร้ายตอนนั้นนะมันไม่มีเพียงแต่ว่าอยากจะเห็นปฏิกิริยาว่าเขาจะตกใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความสนุกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์พอคิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราก็เคยทํานะโอ้ยพระอาจารย์มันมันวางเลยค่ะพระอาจารย์ไอความโกรธเด็กเด็กกลุ่มนั้นนะ่ะมันวางไปเลยเพระาะว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนี้นะี่นาพระอาจารย์เอ๊ เขาก็คงไม่ได้มีเจตนาเหมือนเราเพราะคงอยากจัสนุกสนานแต่แบบเจตนาจะทําร้ายเราไม่มีอย่างนี้ยคือมันวางปุ๊บเลยค่ะอาจารย์แล้วเมตตามันก็เกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์อ่าใช่ดีแล้วใชให้ดีกว่านี้เราต้องมองว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้อืมนั่นดีกว่าค่ะอืมแล้วห้ามก็ได้ป่ะสั่งเขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ไม่ได้ก็ลุกเฉยๆไปแผ่เมตตาด้วย ใช่อุเบกขาไปอืรักษาใจเราอย่าไปเดือดร้อนกับการกระทําของเขาค่ะอืใช่เพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือต้องอุเบกขาให้ได้ใครจะทําอะไรกับเราปุ๊บมันต้องไม่มีอารมณ์ขุนัวไม่ดีใจไม่อะไรเพราะว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะใ่สแต่ว่ารู้พระเจ้าบอกสักแต่ว่ารู้เห็นอะไรได้ยินอะไรอยกจะค่อยคอยฝึกไปนะเจ้าค่ะอาจารย์ไม่วางเฉยตลอด เป็นไงแล้วมาก็เป็นไงมาสบายดีเลยสบายดีใช่ค่ะพระอาจารย์เขาเขาคิดถึงพระอาจารย์นะคะตอนนี้เขาเขาปรับตาแหน่งขึ้นนะคะพระอาจารย์แล้วเวลาว่างไม่ค่อยจะมีแล้วค่ะพระอาจารย์บ<ม>างทีทางานถึงสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ <ๆ S 2> ะแต่ก็ยังเขายังปฏิบัติอยู่ใ่ใ่ะช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ้่ใช่ใช่่ใช้ใช่่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใชช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ ผีพระอาจารย์ก็เยอะขึ้นค่ะเห็นหน้าเลยถามถึงนิดหน่อยค่ะเขายังโอเคค่ะวันน้าก็ยังฝึกสติของเขาไปเรื่อยๆสมาธิค่ะอเขายังไม่ทิ้งนะยังปฏิบัติเหมือนเดิมอย่นะยังค่ะเขากลับมาบ้านเขาก็เดินจงกรมนะคะพระอาจารย์หลายชุดค่ะชวยเขาเนี่ยชวยเขาแต่เขาอย่าทิ้งนะค่ะทำไมที่เข้าห้องสูบเคยทํำยังไงก็ทําต่อไปนะค่ะโอเค เขาก็คงไม่มีแล้วค่ะเขาคงดีใจว่าพระอาจารย์ถามถึงเขาค่ะว่าะตั้งแต่ไปเมืองไทยกลับมาไม่เจอเลยใช่ไหมไม่ได้เจอเลยไม่ได้เข้าไม่มีโอกาสเข้ามาเลยค่ะโอเคแตะวันอย่าโกหกนะอย่าทำไม่ดีนะเดี๋ยวต้องหดข้าวเย็นนะต่อไปอวันนี้ชวดค่ะออืนะค่ะให้มีแต่ความสุขนะ อขอบขอพระคุณเจะพะาจ <Okay. S 2> ันท์โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆค่พะพาจานทาที่น้องพีต่อน้องพีเป็นยังไงเห็นตะวันมันอายุเท่าๆกันเนี่ย <c oughs> ตะวันเขานั่งสมาธิวันละสองครั้งครั้งละสามสิบนาทีง่ายอนั่งสมาธิได้ไหม ไม่ได้ครับถามันไม่พยายามเลยนะมันเข้ามาหลายครั้งแล้วมาเรียนต้องหลายรอบแนละ้ว <c oughs> ควรจะมีความพยายามมากไม่เอาเลยช่วยไม่ได้นะของนีดีไม่เอาก็ช่วยไม่ได้นะต่อไปจ ะ, ะมาเสียใจในภายหลังว่ามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่ง น, นี้ดีแต่ไม่เอานะก็เขาบอกว่าอยู่อยู่ดีนั่งๆอยู่เขาก็เหมือนว่า เหมือนเหมือนหนโจูจะแบบเป็นนั่งสมาธิใช่ไหมเหมือนรู้สึกเหมือนอ่ะเล่าให้หนงตาฟังว่าอาการพี่ป๊มามะพูดเองสมุพูดพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกก็เหมือนว่านั่งนั่งกินข้าวอยู่เขาก็เหมือนว่าเขาเหมือนจะนั่งสมาธิแบบเนี้ย ไ, ไม่ไม่บอกว่าจะนั่งบอกว่ารู้สึกเหมือนป๊ามาก็พูดอยู่แล้วว่าจะนั่งจะนั่งรู้สึกเหมือนนะคะเขะเข้าใจผิดอะไสิอ่ะออธิบายให้หลนูตาฟังประมาณประมะพูดเหินงงอาย <laughs> <laughs> <laughs> อ๋ออะดูใกลๆ ใ, ให้หลงตาดูหน้าน้องทีไกล้ๆเหมือนเหมือนจะนั่งสมาธิใช่ไหมคะไม่เหมือนไม่ยดแรู้สึกนะอ๋อรู้สึกออืมามาพูดขิดล้อแล้วว่าเหมือนเหมือนเหมือนพูดขีดล้อแล้ววดาบอกว่ารู้สึกเหมือนมามาก็บ อ, ว อ, อกอออญญว่าจะนั่งจะนั่งเหนือ่ะะคสว่ายยััังงงไไมม่่่นแต่รู้สึกใใค่ะ แล้วพอเข้าไปเข้าห้องพักเขาก็รู้สึกคล้ายๆแบบนี้แล้วเขากระตุกกระตุกอย่างนี้ตัวกระตุกกระตุกแบบนี้อะค่ะอืก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอะค่ะก็เป็นพ่อมันรู้สึกเนี่อืมตอนนั้นที่เขาก็ไม่ได้นั่งแต่ก็แค่ส่วนมนแต่เหมือนแบบกระตุกแบบเหมือนแบบกระตุกเหมือนแบบตัวกระตุกออกกระชากออกไปแบบนี้เลยอะค่ะอ่าก็รู้เฉยๆไปแล้วกันแล้วไปอนัตตาค่ะ นมันเราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็แต่เขาก็ไม่มีแรงเลยค่ะห ล, ลูกพอ่อหนูก็เลยหนูก็เลยต้องพาพาเขาไปล้างน้ำ อ, อ, อาจจะเป็นเรื่องปฏิกิริยาของจิตเขาก็ไรจิตเขาต่อต้าน น, นะต่อต้านการนั่งสมาธิมอจะ้า้ทำสมาธิเพราะว่ามีปัญหาขึ้นมาทันที หนูไม่ได้จะให้เขานั่งสมาธิเลยนะคะแค่จะให้เข้าไปสวดมนต์เฉยๆแต่ก็คือ แ, แต่ก็ยังไม่ได้ให้ไปสวดก็คือเข้าไปเหมือนเข้าไปแล้วก็มีอาการอย่างนี้หนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็น อ, อะไรก็เหมือนจนับเขาเข้าห้อ ง, ห, อ ง, ห, องห้องขังนี้นะถ้าเขาไม่ได้เข้าห้องพักก็ยังนั่งเล่นทํานู่นทำนี้ได้อยอะ่พอเข้าห้องพักแล้วนี่ทําอะไรไม่ได้แนะ้ต้องสวดมนต์นะเป็นสิ่งนี้ก็ไม่ชอบเขาไม่ชอบจิตก็เลยมีปฏิกิทยาลักษณะต่างๆ มาคนก็หาวเลยพอให้เข้าห้องพักก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะเมื่อก่อนไม่เป็นเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยก<น>มม็มันไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนดูในปัจจุบันนะครับค่ ะ, คะหนูก็เหมือนกันค่ะหลวงพ่อบางทีนั่งสมาธิอยู่ๆเหมือนก็ตัวกระตุกกระตุกอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ ก็รูว่มันกระตุกกันนั่นเองเรารู้ว่มันเป็นเราไม่ได้สั่งให้มันกระตุกมันกระตุกเองก็รู้ตอนนอนก็เหมือนกระตุกกระตุกเหมือนโดนกระแทกอยู่เรื่อยเลยก็รู้ไปนั่นเอถ้ามันไม่ถ้าเราไม่เดือดร้อนมันไม่ทําให้เราเสียหายอะไรก็ปั่นมันกระตกไปคถ้ามีปัญหาก็ต้องไปหาแพทย์ปัญหานั่นเองร่างกายมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นเรื่องของ เหตุปัจจ um. <examples> ัยของร่างกายที่ทําให้มันเป็นไปชอบตัวเราสำคัญคืออย่าไปทุกข์กับมันเข้าใจไหมเราอย่าไปทุกข์กับเขาเขาเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปทุกข์กับเขาเรามีหน้าที่สอนก็สอนไปเขาจะฟังหรือไม่ฟังก็จะทำหรือไม่ทำนะมันก็ไป็เรื่องของเขาไปคนละเรื่องคนละฝ่ายกันไม่เกี่ยวกัน ทำหน้าที่สอนก็สอนไปทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แล้วกั น, กนเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่อันควรก็เป็นห่วงน้องพีอยู่ค่ะอยากให้แล้วก็แผ่เมตตาให้น้องพีทักแทนไหมคะแผ่ไม่ได้เรต้องแผ่ธรรมะแผ่ธรร ม, มะคะ่ะอืมเมตตาใช้ไม่ได้แล้วเมตตา <c oughs> คนเราเนี่ยมัน <c oughs> เมตตาก็ ก็ตอนนี้ก็ไม่ตาไม่เอาไม้มาตีเขาไม่ตาแล้วอย่าให้แผ้ยังไงผืมหลพ่อมีอะไรจะเทศน์ต้องพีไหมครับก็ไม่มีแล้วแหละก็พูดพูดเท่าที่พูดเท่า ท, ท, ท, ที่ควรอย่าพูดนะโอเคนะอื mm hmm. มีอะไรอีกไหมไม่มีจะขอโอเคดโยวมีหน้าที่สอนก็ส mm hmm. อนไปสอนก็ยัดเชื่อไม่เชื่อก็แบบนี้ก็ไม่มีใครบังคับขอได้ ใครเห็นเขาไม่พูดคาพูดว่าอาอา่สาดน้ำใส่หนังสุนัขไหมเทน้ําใส่หนังสุนัขไหมใครได้ยินไหมเวลาเทน้ําใส่หนังสุนัขสุนัขมันทําไงอ่ะมันก็สบัดน้ําทิ้งหมดใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับให้ธรรมะให้ของดีกับคนที่เขาไม่เขาไม่เขาไม่ยินดีเขาก็สาดทิ้งหมดเทนั่นง ก็พยายามต่อไปแล้วกันถ้าวันนึงอาจจะก็อาจจะอ่อนลงเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือ mm hmm. บางทีถ้าเขายิ่งต่อต้านก็อาจจะวางเฉยจะดีกว่า mm hmm. ยิ่งพูด ย, ยิ่งสอนยิ่งต่อต้านก็ยิ่ง mm hmm. mm hmm. ก็อย่าไปสอนดีกว่าโอเคนะการนุสการลาของพ่อหรอ พักจังเลยค่ะพักจัน์ครับครับทุกทาอ่ตอนน้องอ้อมน้ององอมยไงไปเข้าค้อนมาแล้วสามวันในวัสดการค่ะเข้ามาแล้วค่ะยังไงเจอผีเจอใช่ไหมไม่เจอค่ะได้แต่ได้ยินแต่เสียงด น, นตรีเพิ่งรู้ว่าเขาจัดงาน ค่ะเดินข้างนอกตอนสามทุ่มคึ่งค่งคะพระอาจารย์ก็เอผีกิเลสเข้าใจเข้าเสียงแล้วเปล่าเขได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมไม่ค่ะก็หลบเข้าห้องค่ะอไม่ได้ยินดีกระดอนดนตรีกับ เ, เสียงเพลงไหมไม่ค่ะก็ไปภาวนาค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่ไม่ลังเกียจใช่ไหมได้ยินเสียงดนตรีก็ไม่ไม่ไม่โกรธนะไม่ค่ะมไม่คือเคยไปแล้วก็เคยได้ยิน หลายครั้งอยู่ค่ะอาจารย์อ่าก็มองว่าเป็นอนัาตาไปก็แล้วกนะันค่ะเป็นเสียงฟ้าลอ้อมเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ใจเราอย่าไปวุ่นวายกับเขานะการปฏิบัติจะเพื่อรักษาใจให้ไม่วุ่นวายกับอะไรทนะั้งนั้นโอเค okay. ไม่มีอะไรนะ ออพอดีมีโอกาสได้อ่านหนังสือเออหนังสือที่เป็นเอสติปัฏฐานสูตรอ่ะคะพระาอาจารย์เอก็อ่านกายาก็เข้าใจเวทนาก็เข้าใจจิตตาก็เข้าใจมีความสงสัยตัวธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานนะคะพระอาจารย์มันคื อ, อมันคือเป็นธรรม ะ, รรมะใช่ไหมธรรที่เรามีอยู่ในใจเราหรืไม่มี คือให้ตรวจสอบดูธรรมะเหล่านี้ว่ามีในใจเราหรือเปล่าค่ะมันมีทั้งธรรมะที่เป็นฝ่ายบวกธรรมะทั้งหมดที่ฝ่ายลบใช่เพราะว่ามันมีนิวรณ์ห้ามีฝ่ายนั้นฝ่ายลบแล้วก็ต้องจับวิธีจัด ก, การกับมันอ่่าคะฝ่ายบวกแล้วก็รู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาสติมีหรือเปล่าโพชมงส์โพชฌงสมีสติมีอยู่เบกขามี ธรรมวิจยโยธรรมวิจยโยก็คือการพิจารณาธรรมเราพิจารณาธรรมหรือเปล่าพิจารณาอสุภะหรือเปล่าพิจารณาตายรักหรือเปล่า่แล้วมันจะมีพวชงพวชงเจ็ดที่จะ<ว>ไป<ว>ถึงไปถึงก่อนอริยะ ส, ะสัจสี ก็มัน <G ül> มันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่มีเรื่องลำดับนะมันเป็นธร <c oughs> รมะที่มีในใจที่เราต้องตรวจตาดู ว, ว่ามีธรรมะหล่อ น, นี้อยู่ในใจหรือเปล่าอเห็นอริยสัจสีหรือยังเห็นเวลาทุก <c oughs> เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือว่ามันอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายหรือเปล่าเราก็รู้เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเกริดจากความอยากของเราเอง เราจะทำางความทุกข์นี้ดับไปก็ลองละความอยากของเราที่เป็นเหตุของความทุกข์ละก็ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้สติทำใจให้เป็นอบเบคาทำใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไม่ควบคุม บ, บังคับเขาไม่ไดม้มันก็คือธรรมะที่เราต้องพัฒนาและธรรมะที่เราต้องคอยกำจัดถ้าเป็นนิวรานวเราคอยกำจัด เกิดการมว่าชนะยินดีพอได้ยินเสียงเพลงก็อยากจะกลับบ้านไปนอนหลับเพลงนะอันนี้ก็ต้องละมันให้ได้เ <c oughs> วลาโกรธก็ค่อยค่อยค้างโกรธึ้นมาอันนี้ก็เป็นนิวรก็ต้องละมันให้ได้ทำ <c oughs> น, น้าฝ่ายไม่ดีแล้วก็ต้องลบมันออกไปจากใจทำน้ <c oughs> า, าที่ฝ่ายดีแล้วก็ต้องเสริมสร้างให้มันปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจเราเท <c oughs> ่านั้นแหละ ก็การปฏิบัติสต์นี้ก็เป็นการเจริญธรรมะนะสร้างธรรมะสร้างสร้างสร้างสิงส่ ง, ส ง, สงที่ดีให้เกิดขึ้นในใจเราแ ล, แล้วก็ละส่วนสิ่งให้มันดีไปควบคู่กันไปล น, นิวรณ์ทาไปเขารือยเข้าใจคะ่ะพ<วา>อดี <S <S อ่านสองเล่มคู่กัน อ, อ่านที่แบบของวัดเทพศิลินที่แปลเป็นแปลจากภาษาบาลีอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ่านของสมเด็จพระญาณสังวรที่ท่านมาเขียนแปลเรียบเรียงตามความเข้าใจของท่านนะคะก็อ่านเทียบกันก็ก็ก็ยังเห็นตัวทำมานี้ทําไมมันมันมีทั้งมันมีเหมือนนิบบอหะแล้วก็มีอริยสัจสีมีพุทธชงก็เลยลองมาถามพระอาจารย์ดูก็พระอาจารย์ก็ ให้ความกระจ่างว่ามันมีทั้งที่ด้านลบกับด้านบวกให้พิจารณาค่ะแล้วต่างจากขององค์ท่านที่ท่านท่านท่านเขียนไว้หรือเปล่าก็ไม่ได้ต่างแต่ว่าท่านจะไม่ได้แบบพูดระบุชัดเหมือนพระนะอาารยวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ค่ะท่านพูดแบบกลางกลางอ่าใช่ค่ะว่าในตามพระสูตรท่านแสดงว่าอย่างนี้มีอะไรบ้างในในหมวดนี้แต่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าอย่างที่เราพูดให้ฟังใช่ไหม ค่ะอืค่ะว่าท่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างไรถ้าปฏิบัติมันก็วิเคราะห์ได้ค่ะแยกแยะได้ถ้าเรียนตามลำลามันก็มันก็ไม่สามารถที่จะไปแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรค่ะเข้า <Okay. S 2> ใจไหมค่ะเข้าใจค่ะอย่างคุยก่นเคยถามน้งตามันธรรมนุสธรรมานุสตินี้เป็นยังไงก็เวลาพิจารณาสุภาษนี่ก็เป็นธรรมานุสติแล้ว มำลังเจริญสุภาษเจริญปัญญาเ mm hmm. วลาเจริญสติก็อันนี้ก็เป็นธรรมานุสติแล้ว mm hmm. อาจจะนะมันตัวธรรมานี่มันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวที่เราจะต้องมาทําเหมือนกับกายเวทนาจิตอันนี้มั น, เ ป, นเป็นงานที่เราต้องทำ mm hmm. กายเราก็ไม่ใช่ธรรมะเป็นเป็นตัวศึกษาร่างกายว่า mm hmm. ล่างกายเป็นตายร่านนงหรือเปล่าเป็นอะนิจจงหรือเปล่า ก็ลองไปทำมานุสติมาเป็นตัวจัดการมา ต, ต, ตัวสอนใจให้รู้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นต้นะนะงั้นเวลาพูดถึงเมื่อเขาจะพูดถึงธรรมานุสติเพราะมันมันไม่จําเป็นยังต้องพูดเพราะมันเป็นตัวที่ดําเนินการอยู่ในอยู่ในใจไปโดยอัตโนมัติอืมค่ะ วเวลาราปฏิบัติตามกาย ก, ายกายกตานี่เราก็เริ่มเจริญสติแล้วสติก็เป็นโพ้โชกันอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอพอดีก็มาดูเล่มเบญจางคัพพสูตรของที่พี่หลาเคยทำแจกอะคะ่ะก็ไม่มีไม่ได้มีไม่ได้มีเขียนเฉพาะเรื่องทรมาแต่เขียนแต่ว่าข้อกำหนดด้านนิวรข้อกำหนดอย่างเงี้ยคะ่ะต่อจากตัวจิตตานะคะ อันนี้ก็ขั้นมาจากตําราไม่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เขียนขึ้นมาเองไม่ได้วดไมได่ไม่ได้อธิบายแบบที่คุยกันตอนนี้คเพราะไม่มีไม่มีใครถามตอนนั้นเลยก็เลยมีรู้จึวิเคราะห์หน่ออันนี้หายสงสัยแล้วนะทั้งสี่อย่างถือกันทั <8. S 2> <4. S 1> ้งสี่โอเคเอาไปทมไหมเป้าหมายคือให้ละกายให้ละเวทนาแล้วก็ให้ละจิตอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปทุกข์กับมัน นเป็นของไม่เที่ยงร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงจิตก็เป็นของไม่เที่ยงมันมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์สลับกันไปถ้าเราไปอยากให้มันสุขอย่างเดียเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีนะเวลาเวลาไม่สุขเวลาไม่สุขก็ต้องรู้ว่ามันไม่สุขเวลามันทุกข์ก็ต้องรู้ว่าไม่มันทุกข์ดูเฉยๆอย่าไปยินดีร่ายกับมันคาใจยัง เข้ใจค่ะโอเคไปทำต่อค่ะขอบพระคุณค่ะมาที่จีบมาที่แมรี่แลนด์ยินดายของคุณแมรี่งานพรธีการค่ะมาจัดขอ<า>อนุญาตแ ม, แม่แม่พระเยซูหรือเปล่าใช่ไหมนั่นจะใช่นะคะพระแม่ ม, มารีนใช่ไหมคะ ใช่ค่ะยมคิดว่าใช่นะคะยมก็ยมเคยเข้าโรงเรียนโรงเรียนคริสต์ตอนปฐมนะคะเข้าบททุกทีเลยยมก็ลืมไปหมดแล้วอาจารย์ไม่ <laughs> ใส่ไว้ดีสมองสมองเสื่อมแล้วทีแล้วที่แม้เวลา น, น, น, นี้มีคุณแมรี่อยู่บ้างม่าเจอบ้างม้ยว่มีค่ะมีหลายคนเลยค่ะเพื่อนยมก็ชื่อแมรี่เหมือนกันแต่เขาเป็นคนจีนนะค ะ, ะค่ะค่ะมีเยอะมากเลยยมก็บอกลูกบอกว่า <laughs> บอกว่าเนี่ยแม่นะรู้จักคนชื่อไหมนะสี่ห้าคนในชีวิตนะลูกเอ บ, บเยอะมากเพราะนั้นหนอบหลวงเลยว่าพยายามตั้งชื่อที่แบบไม่ใช่ไหมไม่ใช่จอร์นไม่ใช่แจ็คไม่ใช่แบบว่าแบบซ้ำๆนะลูก mm hmm. มันเยอะมากจริงๆค่ะอาจารย์โ mm hmm. ยงก็เลยแบบว่าเออแมรี่ก็มีค่ะแมรี่แด น, นแต่ว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขหรือเปล่าก็ออ่อไม่แน่ใจ น่าจะไทยแลนด์น่าจะดีกว่านะคะไทอแลนใช่ใช่ค่ะดินแดนแห่งความทรร ม, มาและอิสระเสร <laughs> ีดี๋นียวนิสเ์ก็ดีกว่านิสเียน์ลนันอันนี้ดิสเนีลานอาจจะดีสําหรับเด็กๆค่ะแต่พ่อแม่น่าจะเหนื่อยนะโ <laughs> ยมไม่ไม่ค่อยชอบแบบไ ม, ไม่ค่อยไม่ค่อยคือลูกพาไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ค่อยพาลูกไปแบบ ทิมมันไกลด้วยไที่ฟอริดาแล้วไปที่แคลิฟอร์เนียตอนยมพาไปไปที่แคลิฟอร์เนียค่ะพอาจารย์ตอนนั้นนะคะตอนเขาเด็กๆอะค่ะแต่ว่าเขาก็แบบเป็นธีมแบบเจ้าหญิงแบบพาไปแต่งลูกสาวนะคะเพราะลูกชายเขาต้องไปทําธุราก็แบบมันรู้สึกแบบยมไปก็แบบเหนื่อยมากอาจารย์แบบตามลูกอะค่ะก็แบบแล้วยมก็เป็นคนกลัวแบบเขาเรียกอะไรค่ะกลัวกลัวเครื่องเล่นที่มันหมุนๆอะไรแบบเนี้ยค่ะ มันไม่ได้กลัวไปเองนะคะแต่แบบทุกครั้งที่ไม่นั่งมันจะแบบเหมือนแบบร่างกายมันจะเป็น motion sickness นะคะมันจะแบบมันจะเวียนหัวมันจะอาเจียนอยู่มันก็เลยแบบลูก่าแม่คอนั่งรอข้างล่างได้ไหมเลยค่ะก็ก็ก็อย่ยๆค่ะแต่ว่าก็คิดถึงพระอาจารย์นะคะไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์เลยค่ะพระาอาจารย์ค่ะพอดีแ<ม>บบบ <ผม S 1> างทีง มันก็คือมันช่วงเวลาเป็นเวลาที่แบบต้องเอาลูกไปโรงเรียนด้วยอะไรด้วยแบบเตรียมเขาแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่โรงเรียนของลูกอะคะ่ะไม่แน่ใจสลินทอนเล่าว่าคือมีเด็กเขาเาปืนมายิงกันนะคะมันก็ใช่ใช่ค่ะมันก็ปิดโรงเรียนไปทั้งอาทิตย์เลยอะคะ่ะไม่เคาเขาไม่ได้ปิดนะคะแต่เหมือนกับว่าใครจะมาก็ได้ใครจะไม่มาก็ได้อะคะ่ะอก็ไม่มีการเรียนการสอนอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์มันก็ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเห็นฟังแม่แม่หลายท่านที่บ่นลูกน้อยนะคะลูกเโยกมอายุจะสิบหกแล้วก็แบบก็เข้าใจทุกคนนะคะเวลาแบบจะสอนระเบียบวินัยลูกอะไรเงี้ยแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่ลูกเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าจะเป็นตายไร้ดียังไงก็ไม่รู้อะค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราทุกคนจะ appreciate แบบเวลากับลูกทุกวันนะคะเหมือนกับ เราไม่ไม่ควรแบบสมมติคือโยมก็แบบบางทีก็เหมือนคุณแม่บางคนเนาะบางแต่ทั่วไปอะค่ะที่แบบว่าอารมณ์เสียลูกไม่ได้อย่างใจใช่ไหมคะแต่พอแบบพอมานั่งมองความตายกับความเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราอยู่กับเขารู้สึกว่าเอออะไรที่มันเมตตาตาดัตาดตัดได้ไปก็ตัดไปเถอะเวลาลูกมันก็เลยทําให้โยมรู้สึกว่าเวลาเราเราไม่คาดหวัง มากขึ้นแบบเราไม่คาดหวังกับลูกมากขึ้นนะคะพระอาจารยนะ์สําหรับที่บทเรียนที่อาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนะคะก็คือมองเขาด้ยวยความเมตตามองเขาเหมือนกับเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เราเมตตาคนทั่วไปแต่รักรักอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าก็จะไม่คาดหวังแต่คือเปลี่ยนเป็นให้ความหวังดีแทนให้พลังแบบโอเคมันเป็นอย่างนี้แม่ก็เอออยากทําอย่างนี้แม่บอกให้ทําเหมือนเหมือนพระอาจารย์บอกค่ะจะให้ โดยอาเป็นกล้วยจะให้ลูกเป็นส้มก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ก็ได้แต่พูดโอเคจากประสบการณ์ของแม่นะเป็นอย่างงี้งี้งี้แล้วแต่หนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่ะ mm hmm. มันก็เลยต้องใช้สติมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามบอกลูกบอกว่าเออถ้าเจอสถานการณ์อะไรก็พุโทโธไว้นะลูกจะไปนั่งสมาธิในเหตุการณ์อย่างงี้ก็คงยังไม่ได้แม่ก็บอกว่าพุโทโธพุโทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ยมสอดลูกถูกไหมคะพระอาจารย์เวลาที่เกิดเหตุการณ์ก็ทำาจให้เฉยๆอย่าไปตื่นเต้นตกใจ อ่าค่ะก็ก็พยายามค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะจ้าสบายดีจ้าค่ะวันนี้ยมดีใจได้เข้ามาเพราะว่าเข้ามาแต่แบบเร็วมากเพราะว่าสลินทอนบอกว่าต้องรีบรีบเข้านะอะไรเงี้ยยมก็เลยรีบรีบเลยค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้งานมันเริ่มยุ่งมากขึ้นแล้วเพราะเป็นช่วงหน้าภาษีแล้วค่ะพระอาจารย์ห <laughs> น้าภาษีกลับมาแล้วค่ะเดีย๋ยวเนี่ยสาถึงใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือ ลูกค้าก็ส่งเอกสารมาให้เรื่อยๆบางทีเขาก็มาเร็วมาที่ออฟฟิศเอาของมาเอาเอกสารมาให้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าต้องรีบๆจัดการตัวเองจัดการลูกจัดการจัดการรีบออกจากบ้านไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามจะเข้ามาบ่อยๆนะคะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้เข้าก็พยายามฟังข้างนอกแล้วก็จะปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ okay. สวัสาดีค่ะสาธุดค่ะคิดถึงเรื่อเสมอนะคะพระอาจารย์เพระอาจารย์ภับสันแข็งแรงนะคะอวัสดุค่ะอาจารย์พรมพิราอาจารย์แบบนวัตการพระอาจารย์ค่ะแบบนวัตการมพระอาจารย์ครับเอวันนี้เด็กหน่อยนะผ่านไปสองสามทุ่นะตอนนี้ก็นอนดึกขึ้นทุกวันเนี่ย อานไม่หลับนยไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเออถ้านอนเช้าแล้วก็ตื่นเช้าตีสีก็ตื่นแล้วอืมแล้วนอนสายนอนดึกหน่อนยุ่งด้ตื่นสาย่อยนะวันวันตุ่จีนก็วันเกิดของบีแล้วก็ใกล้ใกล้ตุ่จีนก็ครบห้าสิบห้าสิบแปดปีห้าสิบปีของกาาร เดือนนี้ใช่ไหมคะเดนี้มวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่นีพรงนี้ก็าผา11ปีบวชมา11ปีกรแสดงทิตาิจิตภาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวจะได้ไปกราบพระอาจารย์วันที่2มีนาค่ะจ้าเชิญค่ะพระอาจารย์แล้วพรุ่งนี้ก็จะมี คนเยอะสหมคะที่จัดงานไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้จัดงานของใครของมันเราก็มีหน้าที่เป็นตบานแล้วก็เป็นตบาบเป็นหน้าที่ฉันก็ฉันนั่นเองส่วนใครจะมาไม่มาไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราจะมาก็กินเท่าเดิมไม่มาก็กินเท่าเดิมด้านด้านเหมือนเดิมด้านเหมือนเดิมดึกเหมือนเดิมพอดีเราคิดออกไอ้ตึกบุญพาพระอาจารย์ มุ้มีแน่นอนครบห้าสิบเอ็ดพรรษานานอยู่นะชั้นมือเดียวห้าสิบเ็ดปีนับเดือนนะเหมันกันหน้าตาสดใสทุกคนที่รู้จักกันเพื่อนทุกคนก็แบบเพราะเราไม่มีอะไรให้เครียดเลยไม่มีทรัพย์สมบัติชอบของเงินทองไม่มีสารมีไม่มีภรรยาไม่มีลูกเรไม่ม้อเครียดจัอะไร จริงๆเราก็ไม่เคลียดแล้วตอนเนี้ยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สามารถปฏิบัติได้ยังได้ไดเต็มที่ยังอีกไกลไกลโคอยู่ค่ะก็ทําไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงเองค่ะก็ยังน้อยก็ไปปล่อยจิตวางปล่อยปล่อยวางออต้องนนไม่ไปทุกอะไรปล่อยได้ใ ก, ใกล้ถึงถ้าปล่อยวางได้ใกล้ถึงอยู่ใกลใ้แล้วใกล้ไหนใกล้พระอาจาร พยายามทําตัวใช่ไหมบอกลาลาทิ้งเพราะจาอะไรไม่ได้จําได้น้อยลงค่ะสาีุปฏิบัาิธรรมติทิม่สงบเปเจรานะขอบพวกคุณค่สาธุค่ะจิตท่าทังแข็งแรงนะคะสาธุอ่าคุณแนนจากอุดรทานีน้องการนริศการแพทย์ศาสตร์ด้วยคำถามเจ้าค่ะ โอเคเงิน okay. ไปที้คุณเองเชียงรายคณะกรรมการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรมาเล่าไหมก็ยังปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามครับวันนี้เข้ามารับฟังครับพระอาจารย์โอเคอย่าเงนะจนกว่าจะถึงฝัง่งนะว่ายนะ้ําวันเราพยายามว่ า, ายไป่อยๆ่าหยุดว่ายหยุดว่ายก็จมกันกลางน้ําได้นะ ครับผมครับผมให้ถึงฝั่งตางให้อยู่โอเคไปที่ปุ้บเป้ ข, ขอบคุณพระอาจารย์ครับผมสารุมปุ้เป้อะไก่อนหน้ราการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะพระาอาจารย์เออได้ยินสิเ <c oughs> จ้าค่ะของหนูก็ลุยปฏิบัติค่ะพระอาจารย์พอาจารย์ครับเมื่อ ว, วันที่ผ่านมาหนูมีโฟลล็อป เกี่ยวกับด้านสมองค่ะพระอาจารย์หมอสมองดูจากผลทำ MRI ค่ะพระอาจารย์น้ ง, งอกกลับมาโตเหมือนเดิมก็คือหมอบอกว่าถ้ามีอาการก็คือผ่ารอบห้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าเออหนูก็เลยยิ้มตรงที่ว่าถึงแม้ก้อนเนื้อมันโตกลับมาเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์แต่แพทย์นะคะดูไม่มีอาการผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนปกติทั่วไป มันต่างจากผลการทำ MRI ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ค่อยรู้สึกอาการทางกายค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยโอ้ตรงนี้ค่ะพระอาจารย์อยูได้ของดีทางใจพระอาจารย์หนูก็เลยว่ามันไม่ค่อยรู้สึกทางกายค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่หนูรู้สึกร่างกายมีปัญหาก็คือผ่ากระโหลกรอบห้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยบอกว่าถ้าได้ผ่าหนูก็ตอนนี้หนูก็จะทดสอบเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจเลยค่ะพระอาจารย์ เพราะว่าช่วงที่หนูผ่ากระโหลกตอนที่ผ่าสีรอบผ่ะระอาจารย์ผ่าผ่าบอดผ่าเยอะมากเพราะว่าอาการเยอะค่ะพระอาจารย์มันเจ็บตรงมันทนไม่ได้ตอนใจท่อช่วยหายใจเพราะเจ็บคอมากค่ะพระอาจารย์พอหนูมาลุยปฏิบัติตอนผ่าปรับมุมปากนี้หนูไม่ค่อยเจ็บกายตอนกีดขาค่ะพระอาจารย์หนูก็อยากรู้ว่าถ้าหนูได้ผ่าสมองอีกรอบเนี่ยค่ะพระอาจารย์ หนูจะดูเกี่ยวกับการใจท่อหายใจเนี่ยค่ะพระอาจารย์ว่าจะเจ็บคอเหมือนตอนที่เคยผ่าสมองหรือเปล่าค่ะ<ม>หนูก็เลยไม่ค่อยกลัวด้านเนี้ยค่ะพระอาจารย์<ม>เลยแบบเป็นการที่ลุยกับหนูอีกรอบอะค่ะพระอาจารย์ถ้ามีปัญหาแล้วหมอบอกว่าถ้ามีอาการก็คือผ่ารอบห้าค่ะพระอาจารย์อ<ม>หนูก็เลยว่าจะผ่าไปแล้วแต่หมอใช่ค่ะหนูก็เลย<ม>บอกว่าเอาเลยค่ะแพทย์เป็นเป็นครูใหญ่แบบรุ สามารถตอบถามตอบได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนหนูไปผ่าตัดน้องพยาบาลก็ถามเส้นตรงแขนมันหดก็บอกน้องไปเอาไปจอดต้นขาไปตรงตรงบริเวณขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยไปใช้ขาเลยมันก็เลยเฉยๆก็เอาวัยวาค่ะพระอา <S 2> <S 2> <S 2> ะจารย์อาจารย์ค่ะมีอ่าเรื่องกรณีที่ว่าตายก่อนตายจริงหนูก็เลยมองเห็นว่าตายก่อนตายจริงก็คือการ ใจทิ้งกายอย่างนใช่หรือเปาเจ้าคะ่ะก็ใช่นั่นแนหะคือคือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวความตายอ๋อพระอาจารย์คยอมตายแล้วไงตายก่อนตายก็อยอมตายพ อ, อยอมตายแล้วเราก็จะไม่กลัวตายต่อไปโอเคอพอหนูหนูเป็นพยาบาลประเมินเพนสกอร์ความปวดผู้ป่วยไงค่ะพระอาจารย์พอหนูมาสัมผัสแล้วประเมินตนเองหนูก็เลยเห็นของดีทางใจ แล้วก็สัมผัสได้จริงพ่อจาย์แล้วแบบคือหนูฟังมาเยอะมากจนแบบมันมันแบบไม่ค่อยได้ช่วยพอเจอจริงๆค่ะพอหนูมาฟังจริงแล้วแบบรุยจริงมันเลยกลายเป็นว่าเป็นการท้าทายค่ะพ่อจา์มันเลยได้เห็นผลจริงๆก็คือแบบอ้อใจดีกว่ากายแบบใจสำคัญกว่ากายค่ะพ่อจาย์ <ๆ S 2> ก็เลยกระหูดแล้วปกติ เสียงหนูจะมีปัญหาจะ ต, ตอนนี้กลับมาพูดได้ดีค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบโอขนาดหนูบอกว่าเออร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างมันดันมากลับมาเองอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่ามันเป็นอนัตาเราไปสกรปรกมันไม่ได้เ <c oughs> จ้าค่ะพระอาจารย์คืออยากเป็นอะไรก็เป็นไปเลยดันกับเหมือนเป็นคนปกติอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์กลับมีแรงเยอะอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ จนหมอที่แต่ก็อย่าไปเรื่องวันหนึ่งมันก็จะต้อวันหนึ่งมันก็ต้องตายอยู่ดีใช่ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าหมอจะทําอะไรทําเลยเดี๋ยวจะตอบให้ค่ะพระอาจารย์แ ต, แต่แต่ติดแต่มันดีตรงที่มันไม่ค่อยเพนสกอร์สูงค่ะพระอาจารย์จำใ จ, จให้เราอย่าไปวุ่นวายกับร่างกายของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเคสาธุคุณสารการ มาปันทำคาวาจังโอเคเอาไว้เรื่อยๆนะค่ะอย่าหลับนะฟังบทที่คุณปุ้ยต่อคุณปุ้ยลักเซมเบิร์กจาในมรสการเจ้าข้าพาจารย์คุณปุ้ยเอไอต้องตั้งชื่อใหม่ AI ไอม่ไม่เอไแล้วค่ะตัวจริงอ่ะพาจารย์กยม ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายโยมก็เอ่อกลับมารายงานตัวพระอาจารย์นมกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบมุทิจากับพระอาจารย์แล้วก็ถวายบุญกับพระอาจารย์จะมาขอบพระคุณพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สั่งสอนโยมจะมาถวายบุญกับพระอาจารย์โยมปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมาเหลือสองวันที่โยมตื่นขึ้นมาแล้วแบบโยมต่อสู้มากโยมไม่ได้ ต่อสู้เหมือนกับเหมือนกับโยมจะป่วยอ่ะป่วยในหูหรือป่วยอะไรก็ไม่รู้เนีะโยมรู้ว่าโยมต้องป่วยแต่ว่าโยมไม่อยากไปหาหมอยมกลัวโยมก็เลยใช้พลังสมาธิในการรักษาและมันเหมือนมีตัวขี้เกียจจะมาแก้งโยมคือโยมนั่งฟังอ่ะนั่งฟังธรรมะของหลวงตามหาบัวทีนี้โยมก็นั่งดีๆแบบอยู่ๆมันเหมือนตัวขี้เกียจบอกมันทําให้โยมหลับไปเฉยๆอ่ะ จนแบบโยมเกือบจะไม่ทันฟังทำพระจาระมู่วันอาทิตนะโยมก็เลยแบบขอแบบขอให้โยมได้ไม่ทำโยมก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรนะถือศีลโยมก็ถือถูกแล้วแบบโยมก็ไหว้ท้ายโยมก็บอกตลอดว่าคอย่าให้มันมากันแกล้งโยมเลยเพราะว่าโยมกลัวแบบโยมมันจะมาแบบมันเหมือนกับบอกว่า เราอยากจะถือศีลเราอยากจะสวดมนต์แต่มันเหมือนมีตัวอะไรมาแกล้งยมเนี่ยพระอาจารย์อะไรประามาณนี้กิเลสมารใช่คะ่ะเวลาจะทำความดีมีตัวบังคับความเยอะเวลาไปทำความชั่วนี่มีแต่ตัวผักดันสนับสนุนเน่ยจริงน่ะเพราะ เออเมยมฟังเทศพระอาจารย์อย่างพระอาจารย์บอกว่าเวลาจะเล่นเล่นเล่นเกมเงี้ยโอ้โหมันนั่งได้ตาเวลาเวลาจะนั่งตัวที่แลวบอกมันเหมือนกับอะไรมัน <ừ> ไม่กันแก้งอย่างเงี้ยเหมือนก็เวลาจะทําความดีกองกองต่อต้านเยอะเวลาเล่นทำความไม่ดีนี่ก็กองเชียร์เยอะแต่ยอมยอมก็ ไม่กลัวเพราะว่าโยมก็สู้เพราะว่าโยมบอกมา ว, ว่ า, วาตัดสินใจแล้วเราตัดสินใจเราอธิษฐานจิตแล้วเราเดินมาไกลเกินที่จะย้อนกลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาแล้วแต่เราไม่เบี่ยนก็โยมก็ถืถอศีลเจ็กลางวันถือศีลแปดตอนเย็นเนาะอ่าโย ม, มไม่ทันเข้าเย็นด้วยโยมเก่งมากเลยพระาอาจารย์โยมศินเจด้วยไง อ, อย่าถือศีลตอนนอนก็แล้วกัน โยมไม่ไม่ไม่โยมโยมถือตลอดเวลาเลยพระอาจารย์ศีลไม่ต้องถือตอนตื่นเพราะมันตอนนอนหลับมันทําผิดศีลไม่ได้จะถือถือศีลสองอยี่เจ็ก็ได้ตอนนอนหลับนะใช่ค่ะแล้วตอนเช้าโยมก็เพระอาจารย์บอกว่าให้พุทโธโยมก็เดินไปไหนโยมก็พุทโธพุทโธแล้วแบบ อ, อย่างโยมเดินออกไปอะ่ะเดินเดินออกไปทำธุร ะ, ะอะไรเงี้ยโยมก็พุทโธไปแล้วแบบใจมันกลับมาพอมา น, นั่งสมาธิแล้ว เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเรานั่งนานๆสมาธิเราไม่ไม่ตั้งมัน่นแต่เวลาตอนเนี้ยเราตั้งแค่สามสิบนาทีชั่วโมงหนึง่งเรารู้สึกจิตมันนิ่งเมื่อเช้าเนี้ยฟังพระธรรมพระอาจารย์เนี้ยแล้วบอกเออเราเราจิตเรานิ่งเราสบายสบายแต่เราไม่เคยเห็นนรกสวรรค์เหมือนคนอื่นเขาครับพระอาจารย์พระอาจารย์ไงนั่นโลกสวรรค์มันอยู่ในใจเราแท้ๆมองไม่เห็นเราก็จะว่ายังไงนะ ก็โยมเห็นอ่ะชาวบ้านเขาไปอ่ะไปวาดกันเขาไปกันเออถือศีลกันไปบวชชีพว่าเจ็ดวันสองวันสองอาทิตย์อะไรเงี้ยเขากลับมาเขาบอกเขาเห็นอย่างงู้นอย่างนี้โยมก็ทำไมเราไม่เห็นว่าแต่เราสงบจังเลยเขาก็มันมันมันใจมันปิดติอ่ะฮะใจมันอี่มันว่าใจมันโุ่งๆแล้วตัวมันรุ่งๆนั่นแหละเราเห็นสวรรค์แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเป็นสวรรค์อะไรเราไม้ไม่รู้จักชื่อมัน แต่ตัวนจะไม่รู้จักชื่อมันอือ mm hmm. สวรรค์คือความสุขใจนะแล้วก็คือความทุกข์ใจ mm hmm. นี่แหละคือสวรรค์นะโลกเพราะว่าโยมคิดว่าโยมเดินทางมาถูกแต่โยมก็ไม่กลา้า่ีจะคุยให้ใครฟังเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันโล่งโลๆมันสบายๆ อ, อ่า น, นั่นแหละคือสวรรค์นะ่ะไม่ได้ไปติดต่อกับใครเราไม่อยากพูดคุยกับใครเหมือนคนมีโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าเรารู้สึกสงบ เนะเรารู้สึกเก็บบางทีเราฟังธรรมอย่างเงี้ยฟังธรรมพระจันทร์โยมก็รู้สึกโอ้ยสนุกจังเลยเหมือนกับดูการ์ตูนน่ะโยมก็ฟังน้องคนนั้นน่ะโยมก็ถาออกมาบางทีแบบเราโอเคมันอาจจะไม่สุภาพแต่เรารู้สึกว่าเออมันมีความสุขไว้เราจะไม่เราสนุกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมีอะไรไหมมีค่ะโยมมา มากราบรายงานแล้วก็มากราบมูทิจจิตกับพระอาจารย์ในวันพรุ่งนี้พระอาจารย์ครบห้าสิบเอ็ดปีแล้วก็โยมก็สุขสรรค์วันตูจีนกับพระอาจารย์ด้วยค่ะโอเคสาธุไม่ใชอายุห้าสิบเอ็ดนะอายุมากกว่านั้นน ะ, ะพระอาจารย์บวชมาห้าสิบเอ็ดปีค่ ะ, อะเออดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าเรามาโคกหกเราลงชาวบ้านวนะ่อายุห้าสิบเอ็ดปี ไม่ใช่ว่าอาจารย์เกิดวันเดือนเดือนผู้จัิการนะอืะ okay. อโอเคอาจาอ่ขอให้อายุวันโอสุ ข, ขังพลังนะสาธุเจ้าค่ะอ่าคุณลูกตาต่อเป็นไงเพจตอนนี้คนติดตามเยอะไหมเยอะขึ้นไหมงานมักการขอาพระอาจารย์มีสามสิบกว่าคนละค่ะ <laughs> ค่ายข้าจะมีละกี่คนก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆสะสมลูกเพจไปเรื่อยๆคอาจารต้องใจเวลาหน่อยนะอ่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบอกว่ามีความสุขที่ที่แบบได้ทำอะไรอย่างนี้ค่ะคดีก็ยังยังก็คงทำไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ชอบแล้วก็ก็มีมีแบบ พี่ๆ เ, เพื่อนๆมากดไลค์มาให้กําลังใจอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมคือชื่อมันยาวไปหน่อยเพราะบางทีติดตามมาถ้าถ้าถ้าต้องเสิร์ชนี่เขาจะพิมพ์พิมพ์ชื่อนำบัตรค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ยาวมันก็จะไม่ครอบคลุม <laughs> เนื้ อ, อ <laughs> หาค่ะอาจารย์แล้วเป็นไรต้องใช้เวลาหน่อยทุก อ, อย่างต้องใช้เวลาอะไรอย่างนี้มันก็ค่อยแชร์กันไปกันเรื่อยๆ ค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นยังเป็นมือใหม่อยู่ค่ะด่ง เ, เราก็ไม่ได้ว่าเราก็ทำไปเพื่อตัวเรานะเองส่วนใหญ่ทำให้เรามีความสุขมีาความรู้อใช่ค่ะได้แบ่งปันกันค่ะอายตาดีเป็นสิ่งที่ดีแคนี้ต่อไปอาจจะมีเด็กเข้ามาดูแล้วติดใจแชร์กันเยอะเลยก็ได้ข่ะสาถูกค่ะพายตา <laughs> ก็ผู้ใหญ่เขาดูก็ผู้ใหญ่เขาดูต่างหากใช่ไหมนี่มันการ์ตูนอยู่ก็อาจจะแบบให้เด็กๆได้เข้าใจง่ายอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกับผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดว่านี่มันสลับเด็กเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจงันค่ะก็ดีทําไปตามตามที่เราชอบค่ะอาจารย์ให้เรามีความสุขกันแล้วกันค่ะ วันนี้คุณแม่ไม่อยู่เหรอคุณแม่ขึ้นเ่าวันนี้ค่ะหนูไปส่งมาตอนบ่ายค่ะเรียบร้อยแล้วอยู่สามคืนอยู่ถึงวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ได้หลายวันวันนี้วันพุธคเดือบเป็าคืนหคืนน่าคืนดีแล้วแม่ติดใจแนะค่ะใช่ค่ะก็เห็นว่าจะหาเวลายังไงก็ต้องไปทุกเดือนละค่ะตอนนี้อ่าเนี่ ไปชาร์จแบตเตอรี่ไปเติมน้ำมันรถนค่ะไปใจรถน ย, นยังต้องแวะต่อตามปั๊มอยู่เรื่อยๆใจเราก็เหมือนเหมือนรถยนต์เ้องคอยเติมความสงบนะค่ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะายใจเข้ามาฟังธรรมค่ะแล้วก็ฝากเพจด้วยนะคะโอเคกพี่ๆอยาญอยู่เพื่อนๆช่วยกดหน่อย <c oughs> อยว เ, เปิดน ขอบเขต ด, ด้วยนะคะอาจารย์าพ า, ามาใกล้ๆเขาทำน้ากุติอาจารย์สุชาติอภิชาโตบายลูกตาใค่ะธรรมน้ากุติอาจารย์สุชาติอภิชาตโบายลูกตาค่ะโอเค้าเป็นคำนั้นนี้ธรรมน้ากุติแล้วใส่ชื่อเราเข้าไปก็น่าจะโผล่ขึ้นมานะค่ะโอเคให้กาลังใจหน่อยอุตส่าห์ทงาน ค่ะตอนนี Workers>. ้ก okay, okay. okay. okay. ็มีความสุขแะค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวสาธุการขอบพระคุณค่ะอ่าอ่าคุณยินดีตายินดีตอนนี้หายหนาวมั้งแล้ยังหนาวอยู่ดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์อ่าดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ดีมากหยุดดีมากหยุดตกกันนะ เอพุ่งนี้พร่งนี้มรือนี้เห็นค่าว่าจะมาอีกรอบมาค่ะท่านอาจารย์แต่แต่แต่ไม่ได้ติดลบเยอะแยะถึงแบบเป็นยี่สิบกว่ามิก็ไม่ใช่ค่ะอืแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์อากาศแปลกปลุนช่วงนี้ไม่เที่ยงค่ะท่านอาจารย์ก็ดีค่ะได้สอนลําด้วยค่ะ ลูกก็ไม่มีอะไรํำมาฟังทำกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะท่าอาจารย์บอกรในการลูกกับเดวิดก็ขอให้อยู่เป็นลงเพลินลงใส่โอเคแมซโบกูนะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสุดโอเคจอยจอยต่อ เมื่อช้านี้เมื่อวันนี้ใส่บาทเมื่อวานนี้วันพุธวันวันจันทร์วันจันทร์ค่ะแล้วก็แล้วหนูก็ไปเมื่อวันศุกร์อีกทันศุกร์วันเกิดหนูมันมันคล้ายวันเกิดน้องที่ไปกับแม่เลยใช่ค่ะพาแม่ไปใส่บาทก็เลยบอกว่าพาพาพระละหันที่บ้านไปใส่บาทเพราะละหันที่ที่วัดแทนที่เอออะไรนะคะที่ไปแล้วทำบุญกับพ่อละหันก่อนด้วยใช่ค่ะเขาแม่เขาก็บอกว่า คือคือที่พาเขามาทําบุญก็คือดีมากแล้วถ้าเขาถ้าหนูไม่พาเขามาเขาก็มาไม่ได้อืมเขาเขาเขาเขามาเขาไปทําบุญที่ไหนเขาเขาไม่ถูกใจเข้ามากับทํางบุญกับพ่อจยนเขาปิติตลอดที่เขากลับไปบ้านเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ใกล้ๆกับหนูเนี่ยแหละค่ะแล้วปิติแปลว่าอะไรความสุขป่ะถามพ่อจนเลยนะปิติแปลว่ามีแต่ก็ลังความป่าเพื้มมาคือเพิมออกเพิ่มใจเล้วยปิติ คือตอนกลางคืนนี่มาได้ตลอดแต่ตอนเช้า น, นี่คือง่วงตลอดก็จใจหวานนอนเดึกพอาตืขึน้นมายัางนอนไม่พอแต่ออหนูก็เข็นตลอดะคะ่ะเพราะว่าหนูคิดว่าเออในชาตินี้เราเกิดเป็นแม่ลูกกันแล้วสิ่งเดียวที่เราให้เขาได้เนี่ยด้วเนี่ยแหล<า>ะใส่เ่าทำมือนะแต่ค่ะให้เขาติดไปจนกว่าเขาโตไปเรื่อยๆอ่าดีมากเลยถ้าเขายอมมาก็โอเคถ้าเขาไม่ยอมมาก็ช่วยไม่ได้ยอมมาค่ะอะ ไปตลอดถ้าปถูกก็ไปค่ะอย่าไปหวังอะไรมากตามมีตามเกิดหวังอะไรไม่ได้คคอเข้าใจโลกทุกวันนี้หวังอะไรไม่ได้เลยมันทุกอย่างไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเวลามันจะดีมันก็ดีเวลาไม่ดีมันก็ไม่ดีนะใช่ค่มันมันเป็นสัจธรรมมันวนๆอยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงเลยครับตามให้นี้ก็พอแล้วชีวิตเราจะไม่ทุกข์กับอะไร แต่หนูหนูคุยกับแม่แล้วว่าหลังสงการอะ่ะหนูจะไปอันนั้นไปถือสินอะ่ะแม่บอกว่าอ่ะโอเคถ้าอันนั้นได้ไม่ไม่ติดไม่ติดรองใครเพราะลูกก็ติดเทอมแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะช่วยดูให้ได้โอเคเนี่ยพยายามพยายามขวนขวายนะความดีมันต้องต้องขวนขวายมันไม่มาเองง่ายๆอ่ะหนูจำควา<ะ>ช่วยนี่มันไม่ไม่ต้องขวนขวายเลยจริงหนูที่พาจราบอกว่า ตอนหนูถ้าหนูดูสนะีนี่นะนั่งนูได้นานมากเลยนะแต่นั่งสมาธิสนะิ10ครั้งเจก็จะตายได้นะใช่เหรแต่ตอนนี้หนูกําลังตอนเช้าตื่นเช้ากําลังหันมาฮึดอยู่ฮึดแบบต้องสู้และจออยู่เฉยไม่ได้แล้วอพยายามนั่งทุกวันมันจะง่ายขึ้นไปค่ะคะแล้วระหว่างมันก็พยายามใช้สติ บ, บ่อยๆพุดโธกับรู้ตัวใช่ไหมคะใช่ออปล่อ้ใจคิด ให้ผูกมันไว้กับพุทโธผูกมันไว้กับงานที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ไอคนไอคนกลางเขาบอกว่าเขาไม่ติดมอโบลรอบแรกก็เลยแให้เขามาขอพรเพราจางเขาบอกว่าไม่ได้หรอกแม่ขอเพราจางเดี๋ยวพราะจางก็บอกว่าต้องทําเองต้องทำเองขอกเนอะถ้าไม่ทำยังไงก็ไม่ได้ก็เลยเขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลองลองรอบสองอีกรอบหนึ่งเพราะเขาไม่อยากไปไกล ให้เขาไปตีวที่ไหนให้เขามีเตียววะเขาลงนิเทศศิลป์ น, นะคะเขาชอบเกี่ยวกับศิละปะใช่แต่ไม่มีไปการไปเตียวไปเรียนกวดวิชาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ไปเพราะว่าเหมือนกับเขาฝึกวาดรูปเขาสมแบบพวกวาดรูปอะไรเงี้ยตองเป็นเป็นศินละปะนะี่ยใช่ใช่เขาเกี่ยวกับศิละปะเขาก็ถัดทําของเขาเองอะไรเงี้ยจะได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็อาจจะได้ครั้งที่สองอาจจะได้กันได้นะก็พยายามเต็มที่แล้วกันได้ก็ดีไม่ได้หรือบอกว่าเดี๋ยวเขาไปใส่บาตรแล้วเขาไปขอพรพระอาจารย์นอนใส่บาตมก็เราเข้าใจผิดอยกันแล้วก็ขอไม่ได้หรอกขอแบบขาได้ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทําเองใช่เขาเขารู้เลยเขาถึงไม่มาไงเขาบอกว่าไม่ขอหรือไม่เพราะเอีขอพระอาจารย์ก็บอกว่าต้องทําเองสิอือัตตาเหยาตโนนาถุ คนแรงเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยเราก็ต้องพูดตรงไปตรงมาไม่อยากจะไม่อยากจะหลอกให้มีความหวังค่ะคือแค่ได้มากราบพระอาจารย์ก็คือก็เป็นบุญที่ดีแล้วถ้นต่อไปมันจะได้ไม่ไปหวังไปหวังไปขอโน่นขอนี่จากใครหรือว่าเราต้องทำํำเองเราต้องการอะไรต้องทําเองขึ้นมาอ๋อพระอาจารย์โอเคโอเคครับ ค่ะเจ้าค่ะคุณมาลูกอย่างเช่นมาอันนี้อยู่เมืองนอกใช่าไม่อยู่บ้านผมอยู่อยู่เมืองอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพครับพระอาจารย์อือยู่อยู่ที่สามย่านครับเป็นคอนโดมิเนียมเพราะว่าอวันธรรมดาเนี่ผมจะพักที่นี่ครับพระอาจารย์มันใกล้ที่ทํางานนะครับอันนี้ไปวิ่งไปที่สํานักงานเนี่ยจะใกล้กว่าครับพระอาจารย์ยี่สิบนาทีครับอืมแต่ถ้าเอตอนเย็นเนี่ยผม ตอนช่วงนี้พอดีไม่ได้ตรวจคนไข้ถ้ตรวจคนไข้มันจะตรวจที่ปทุมธานีครับตรวจที่คลินิกผมตั้งมาตั้งนานแล้วครับที่ปทุมธานีาครับกับพระอาษษจารย์มีงานพิเศษด้วยนอกจากงานประจำนะหมอปกติผมยังชอบเป็นหมออยู่ครับพระอาจารย์อืตอนเย็นผมก็จะช่วยชาวบ้านครับที่คลินิกเนี่ยก็ะ จ, จะทํามาตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยครับพระอาจารย์สาสิบปีแล้วครับผมก็ตรวจพระเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายกับพยายามช่วยคนจนอะนะครับเสร็จแล้วคนจนก็จะไม่เก็บบางค่ารักษาถูกแต่ว่า จะมีคนมีเงินมาช่วยครับก็มีตั้งกระป๋องไว้ทาบุญแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆกันเขาจะช่วยไปก็ทาว่าผมก็ได้ทําบุญไปด้วยครับพระอาจารย์ก็ได้ช่วยคนลําบากแต่อพอเราผมอยู่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่เวลาใครเดือดร้อนเนี่ยผมก็เขียนจดหมายช่วยได้ครับอาจารย์มไม่ถึงว่าส่งไปฝากบอกที่โรงพยาบาลอะไรเขาจะช่วยดูแลให้อ่ะครับอืมกับรับ แ, แต่ว่าเ อ, อทุกวันนี้ผมก็เหมือนที่เรียนพระอาจารย์ก็มาปฏิบัติธรรมครับอาจารย์อย่างรักษาศีลแปดได้ ก็เก่งมากนะทําได้ไหลายอย่างพร้อมๆกันเลยครั บ, ไไรบรพระอาจารย์เพราะว่าตอนที่เราตรวจคนไข้เนี่ยเราจะมีความสุขกับพระอาจารย์มันเหมือนเราได้ช่วยคนนะครับมันก็จะมีความสุขมีเมตสบายใจตลอดเลยครับพระอาจารย์ตอนรับราชการเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันมีมันมีเรื่องเรื่องลำบําเรื่องหนักใจเรื่องอะไรแต่ถ้าตรวจคนไข้เนี่ยจะมีความสุขครับพระอาจารย์มันเป็นวิชาตรงมาตรงมานะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือเขาคือเห็นเป็นลายๆไปพอ เขาดีขึ้นช่วยเขาตั้งใจช่วยเขาเนี่ยมันก็จะมีความสุขลายต่อลายไปเลยครับใช่ครับหมอเพียงแต่ตรวจดูแล้วก็ส่งไปรักษาต่อครับผมก็รักษาเองได้ส่วนใหญ่แต่ถ้าอันไหนที่เราดูแล้วเนี่ยเออต้องใ ห, ตงให้ต้องให้หมอให้คนรักษาแล้วก็ส่งต่อให้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนทุกคนก็เบิกสามสิบาทได้ครับพระอาจารย์บัตรทองนะครับเขาก็มีสิทธิ์การรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรานิฉัย ใ, ให้ถูกต้องก่อนแล้วแนะนําเขาให้ถูกทางครับอืม ก็จะได้ประโยชน์ครับบางทีชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีที่ไปครับพระอาจารย์เขาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เข้าไม่ถึงก็มีชะครับครับแล้วก็อาจจะไม่ได้พบเอคุณหมอที่เขาเขาดูแลเขาครับดูจริงๆผมอยู่นี่ผมก็ได้ดูครับพระอาจารย์ก็เป็นความสุขอันนึงที่ผมคิดว่าได้สร้างบารมีได้ทําบุญนะครับพระอาจารย์ก็ได้ให้ทุกวนเยอะครับพระอาจารย์ถ้าผมเปิดเนี่ย วันธรรมดาก็สิบสอเอ่อสามชั่วโมงนี่สามสี่สิบคนถ้าวันทุกวันอาทิตย์เนี่ยเป็นร้อยครับพระอาจารย์อืเพราะว่าคนไข้เขามาพึ่งเราเยอะครับอื ม, มาพึ่งเยอะแต่ว่าผมก็เอ่อถือว่าได้ไ ด, ได้ได้ทําบุญไปเรื่อยครับพระอาจารย์แล้วทำคนเดียวก็มีหมอคนอื่นช่ว ย, ยผมมีผมมีคนเดียวเลยครับแต่ผมมีมีน้องลูกน้องช่วยเยอะครับอืมแต่ว่าผมปกติผมจะม<อ>ไม่ไปแจ้งไม่ต่อคนเดียวไม่จ้างหมอครับถ้าผมไปต่างประเทศก็ปิดครับพระอาจารย์ หรือว่าถ้าติดราชการผมก็ปิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ระบบมันดีครับอาจารย์เพราะว่าเรามันมีออนไลน์มีนัดหมายได้มันมีโทรมาสอบถามได้ว่าเปิดไม่เปิดนคนไข้ก็รอครับอืครับมันก็เยอาจจะเปิดช่วงเงยน็นหลังจากที่<ม>ทํางานใช่ครับพอพอผมเลิกงานราชการไปผมก็ไปเปิดคลินิกครับอาจารย์เปิดถึงกี่ทุ่มผมเปิดถึงก็ประมาณสองทุ่มก็เสร็จแล้วครับอาจารย์ตรวจตั้งแต่ห้าโมงก็สองทุ่มก็เสร็จครับ ส อ, องทุ่มผมก็กลับมามานอนที่สำยาญต่อจากประดุมธา น, นีนะครับมาปฏิบัติทําต่อไหมได้ครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสวดมนต์นั่งสมาธิครับหรือว่ากลางวันผมก็จตื่นเช้ามาทุกวันนี้ตั้งแต่ที่ผมเริ่มเออที่ผมปฏิบัติทำมาก็าเช้ามาผมก็สวดมนต์ตั้งแต่เช้านั่งสมาธิครับอาจารย์รเช้าที่ก็เปิดเครือวันเสาร์ไม่เปิดครับอาจารย์วันเสาร์ส่วนใหญ่ผมไปทําบุญครับออืที่ไปกราบอาจารย์ครับ อืมวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์บางทีผมก็ปิดคลินิกแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมไปไปกราบพระอาจารย์หรือไปวัดครับวันอาทิตย์ก็เปิดเหมือนกันวันที่เปิดวันเดียวกับพระอาจารย์วันเดียวครับวันธรรมดาบางทีจะติดราชการกับพระอาจารย์อืมก็เรามีประกาศไว้ล่วงหน้าในเพจยังไงอ๋อประกาศครับใช่ครับก็จะมีมีเพจเฟซบุ๊กบอกคนไข้ว่าวันนี้อยู่วันนี้ไม่อยู่แต่ส่วนใหญ่ผมจะทราบล่วงหน้าผมก็จะนัดคนไข้มาตามวันที่ผมเปิดครับแต่ถ้าผมติดราชการด่วนก็จะมีน้องๆมี เด็กๆที่คลินิกก็โทรแจ้งคนไข้ให้ครับคนไข้ก็รอครับอาจารย์ก็จะมาวันที่ผมเปิดอืครับก็ตัวในทุกโรคเลยหมอผมตรวจทุกโลกเพราะว่าหมอรุ่นเก่าครับอาจารย์หมอรุ่นเก่ารักษาหัวเจทยเท้าที่ครับได้หมดครับอืทำที่ทำที็อาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเราเราเราจบหมอมาเราไปอยู่ตามโรงพยาบาลเราทําทุกอย่างหมดครับอืตอนนี้ลูกสาวผมที่ ที่เรียนหมอเนี่ยเดี๋ยวนี้ให้มานั่งตรวจตรวจไม่ได้นะครับอาจารย์ตรวจได้แต่โรคที่โรคที่เป็นเฉพาะทา ง, าทางครับเพร<อ><อ>าะเพราะโรคอื่นเขาไม่ก้าตรวจครับแต่เขเรียนมาแต่ไม่มีประสบะการณ์ครับเพราะว่าเขาเขาก็ เ, เรียนมาแต่ ว, ว่าเด็กรุ่นใหม่อะครับเขาเป็นหมออายุรกรรมก็หมออายุรกรร ม, มปัจจุบันเวลาเราไปโรงพยาบาลถึงลำบากครับพระอาจารย์เพราะว่าสมมุติว่าเราเราเป็นเป็นโรคปอดนะครับอาจารย์อืแต่เราดันปวดเข่าเนี่ยต้องไปสองทีแล้วไปหาหมออีกทีหนึ่ง หรือว่าเกิดเราเราเราปวดหลังนะครับอาจารย์เราแค่ปวดหลังเนี่ยนะครับจะปวดท้องเนี่ยไปหมอยกเนื้อครับผมผมคิดว่าคนเดียวดูแลได้หมดเลยครับผมคิดว่าระบบเรามาผิดทางตั้งแต่ผมอยู่กระทรงสาธารสุขแล้วนะครับจริงๆอ่ะหมอคนหนึ่งคนดูได้ภาพรวมเสร็จแล้วถ้าเราเนี่ยอันไหนที่เราดูแล้วมันไม่มั่นใจหรือยังไรเนี่ยค่อยส่งให้แพทย์เฉพาะทางคือระบบมันจะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์แต่บ้านเราเนี่ย เราไปตามต่างชาติมากเกินไปแต่เราตามผิดทางครับ mm hmm. ก็พยายามไม่ทอดแนะนำอยู่ก็เรียกว่าผลิตแพทย์แพทยวิจักษศาสตร์ครอบครัวนะครับออกมาดูทั้งหมดครับ mm hmm. ครับแต่จริงจริงการเป็นแพทย์มันอยู่ที่เรื่องจิตใจเยอะนะครับอาจารย์ต้องเสียสละมากครับแล้วก็คนไข้เนี่ยถ้าเราเรามีธรรมะให้เขาด้วยเช่นว่าเรื่องเรื่องความ เ, เขาเขา เขาบอกเขาว่าบางทีคนไข้ให้ครขบสวมดมนต์นะครับผมก็บอกว่าเออหมอก็ใช้สวมดมนต์นะกะพุโทโธเอาบางคนก็ไปทําเขาก็จะจิตใจดีขึ้นมันก็เริ่มดีขึ้นคืออย่างน้อยเนี่ยผมเข้าใจว่าการเป็นแพทย์เนี่ยมันรักษาคนไข้ไม่หายหรอครับอาจารย์เพราะคนไข้ต้องตายทุกคนการรักษาใจิตใจเขาให้ไม่ทุกข์กับใคครับให้เขาไม่ทุกข์หรือว่าเราลดความทุกข์ทรมานของร่างกายเขาครัอาจารย์เพราะ จ, าจริงๆเนี่ยการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยเราก็มุ่งสมมุติว่า จะเสียชีวิตแล้วับพระอาจารย์ก็ใส่เท่าหายใจให้น้ำเกลือทาทุกอย่างก็ยื้อชีวิตไว้ยื้อไว้ยื้อให้ทรมานแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยและเขารักษาใจเนี่ยเขาก็จะมีความสุขกว่าอืคือถ้าเขาเข้าใจจริงเราแค่บําบัดความทุกข์นะครับพระอาจารย์ออให้ยาแก้ปวดให้อะไรไปบรรเทาไปนะครับโรคโรคส่วนใหญ่ก็มันมีทั้งรักษาหายแต่รักษาไม่หายอืที่รักษาไม่หายเนี่ยคือบรรเทาความทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราจะไปสู้ สูกับโรคที่รักษาไม่หายก็การแพทย์ตะวันตกการเสเวลาไปประมาณเียเวลาก็พลาจากแล้วก็เพื่อความทุกข์เสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาเพิ่มความทุกข์ครับจริงๆสุดท้ายเนี่ยการรักษาแบบแบบบัคขปะคลองหรือว่าการรักษาแบบให้เขาไม่ทุกข์ทรมานมากเนี่ยกับมีคุณค่ามากกว่าครับแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติธรรมได้เลยด้วยนะครับ ผมก็คิดว่าเรื่องเรื่องของจิตใจเรื่องของสมาธิเรื่องของกำลังใจเนี่ยช่วยเยอะครับพรอาจารย์อืแล้วบางทีมันเป็นความมันเป็นความทุกใจครับพรอาจารย์มันไม่ใช่ทุกกายนะอืเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกใจทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเขาเขาสนุกได้ไเขามีความสุขได้ครับครับผมผมคิดอย่างนั้นนะครับพอาจารย์ก็พยายามดํารงตนเป็นแพทย์และเวลามีลูกศิษย์สมัยก่อนที่ยังยังสอนหนังสือแพทย์อยู่หรือ ย, ยังแนะนําก็จะแนะนําแบบนี้ตลอดครับอืม ดีมา ก, <อ>กครับอาจารย์วันนี้ก็เลยพูดแต่เรื่องเรื่องับภาษาแล้วเรื่องจิตใจมีอะไรไหมวันนี้เรื่องจิตใจผมจะคําถามพระอาจารย์คือว่าตอนเนี้ยคือผมเข้าถึงความสงบนะครับอาจารย์แล้วมันก็แบบรู้สึกว่ามันมีความสุขมากทีนี้ผมจะถามพระอาจารย์ว่าที่อย่างตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าผมตั้งแจ้งแต่เช้าอย่างพุโทโธแล้วผมบอกว่าผมพยายามทําจิตใจให้สุขสงบสุขสงบเนี่ยครับก็คือพุโทโธไปรู้ว่า ตั้งว่างนั่งสมาธิเนี่ยการกระทําแบบเนี้เป็นความอยากที่ผิดปกติไหมครับพราาอะอาจารย์ไม่หรอกความอยากให้มันสงบนี่เป็นเป็นเป็นความอยากที่ดีครับไม่ต้องกลัวครับพระอาจารย์เพราะว่าถ้าถ้าผมไม่มีความตั้งใจที่ว่าจะให้จิตใจสงบเป็นสงบมากขึ้นมากขึ้นอ่นะครับพระอาจารย์ครับมันมันต้องมีเป้าหมาย มาตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะตั้งมีความสงบไม่ให้วุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆครับพระอาจารย์อืมอันนี้ไม่ผิดนะครับราารไม่ผิดไม่ผิดอันนี้เป็นการเมือนกัตั้งป้าเข็มทิศของการปฏิบัติของเราวันนี้ว่าเรารจะจะจ ะ, จะพุ่งไปที่ตรงไหนครับ<ม>เพราะว่าที่พระอาจารย์บอกว่าผมตอนที่พระอาจารย์พูดแล้วผมก็คลิกนะฮะ<ม>แบบมันรู้สึกโอ้อย่างนี้นี่คือว่าพยายามชาัดแบบให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ<ม>พอพอเวลาเรานั่งเนี่ยสงบแต่ถ้าเกิด เราตั้งใจนะครับอาจารย์คือเอให้สนุกจะได้จะได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ก็อย่าไปท้ออย่าไปเสียใจับครับคำนั้นแต่แล้ว่าบางทีตั้งไว้แล้วมันอาจจะไม่ได้ดังใจเข้าใจก็ได้ครับคือคือผมถ้าแบบเวลาเราตั้งใจพระอาจารย์บางทีพอฟุ้งซ่านหรือวุ่นวายนะครับอาจารย์ผมก็กลับมาที่สดหมอนก่อนอ สวดอีกทีไปโศด้เรื่อยๆสมมติสวดไปสักสิบเก้าจบยี่สิบจบบทยาวนะครับอมันก็จะค่อยสงบลงค่อยสงบแล้วผมก็กลับมาทำสมาธิใหม่กลับมาพุทโธใหม่ถูกต้องครับแต่ว่าต้องตั้งใจคราว่าจารย์ถ้าไม่ตั้งใจปุมนหลุดไปทํางานเลยอ่ครับใจมันชอบไปน่นมาที่อยู่ตลอดใจครับมันจะไปทํางานครับอาจารย์มันจะไปแก้ปัญหาจะไปทําเรื่องพัฒนาหน่วยงานเราทํำเรื่องพวกนี้แล้วมันจะยิ่งวุ่นวายไปใหญ่ครับบางทเราใช้การสมมตหนึ่งกลับมา ใช่ครับพระอาจารย์คือบางทีพูดผมกาลังไม่พอดไม่พอครับอาจารย์พูดโทก็ไม่พอครับอาจารย์พอส่ตอนเริ่มไม่สงบเนี่ยต้องสวดมนต์ต้องอินทิบิโสแล้วครับอาจารย์เพราะมันต้องใช้สติมากเวลาเราสวดครับพระอาจารย์แต่ว่าตอนอินทิบิโสเนี่ยต้องจิตที่บอกว่าเออเราจับจุดความสงบที่เราเราเคยไปถึงและจำให้ได้ครับอาจารย์อือาะเพราะอย่างนั้นมันจะเข้าจะกลับมาเร็วมากครับพระอาจารย์อื นะครับผมเลยมาเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าทําแบบนี้ถูกต้องนะครับถูกตองครับมดูลมไม่ได้พูทโธไม่ได้ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนครับครับแล้วก็วางจิตให้มันถึงจุดที่เราเคยสงบแล้วเราจับได้ครับครับจิตเป็นสงบแล้วแล้วก็มดูลมต่อพูทโธต่อครับพระอาจารย์ครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับอสาธุขอบพระอาจารย์ท่าแขนแข็งแรงครับผมจะตั้งจิตอธิษฐานปฏิบัติเต็มที่ไปเรื่อยๆครับสาธุมั่นนาครับอ เป็นหมอท่านสัตวแพทย์ชุทัศนีลุกไม่มีคำถามเช้วาวค่ะท่านอาจารย์อา่างั้นไปต่อเลยนะแล้วค่ะอ่าคุณบาลีคุณบาลีก็ไม่มีคำถามในชะ่ไหมไม่มีจะ ม, มีอะไรมาเล่าให้ฟังก็เล่าเียขอบคุณพ่อค่ะวนนี้นุ๊กก็ไม่มีคาถามค่ะหลวงพ่ออา่าวันนี้กล<ต>จบแล้วไม่ต้องทำอะไรแนละ้ว มารักษาใจไปเพียงอย่างเดียวสาธุค่ะหลวงพ่อรูแล้วว่าต้องทำอะไรใช่ไหมใจอย่างเดียวค่ะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอ่าค่ะอยู่ที่ใจค่ะหลวงพ่ออยู่ที่ใจสมทุกอยู่ที่ใจค่ะจะสมหรือทุกต้องอยู่ที่การดูนานใจนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องผล่เรื่องอื่นนะค่ะหลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายก็คือเกิดทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดก็มาดูที่ใจค่ะหลวงพ่อ ดี ใ, ใจมีสติมีปัญญาแล้วใจก็จะปลอดภัยนะค่ะหลวงพ่อโอเคงั้นก็ไปก่อนนะเวลามัน ข, ขอบขอบคุณหลวงพ่อมากๆาค่ะสาธุค่ะสาธุขบคุณบัลิกาดูแลพ่อดูแลใจ ด, ดูทั้งสองอย่างาากาลวมัตการจะาของพระอาจารย์ค่ะพระาจารก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกต้อง ทำแบบทดสอบอยู่ตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์เมื่อได้ความถามพระอาจารย์แล้วเหมือนว่าเหตุการณ์แบบทดสอบเมื่อเกิดขึ้นตอนเย็นก็แบบให้เราเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการผิดพลาดไม่ใช่ว่าพ่คนเดียวตัวของเราเองก็ยังผิดพลาดดังนั้นการที่จะไปโทษพ่อไม่ได้เก็ต้องหันมาโทษตัวเราก่อนว่า ที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเพราะว่าเราไม่เรียบร้อยเราสัเปล่าตรงนั้นจึงมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรระดักษณะแน่นี้ดังนั้นเราก็ต้องดูแลและก็การเจ็บป่วยของพ่อการเจ็บป่วยของพ่อนั้นมันทําให้เราเรียนรู้ว่าเมื่อยางเก่เท้าชาราแลว้วโรคต่างๆมันมาบุมร้อม แต่ถ้าได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วมันจะประคองใจได้ได้อย่างดีดีมากๆเลยเพราะว่าการปฏิบัติตัวทุกอย่างนั้นถ้าเราทำเป็นปฏิบัติเป็นนิติดเป็นนิสัยแล้วเป็นสิ่งที่ดีติดตัวมากเลยเจ้าค่ะพ่าอาจารย์ดังนั้นลูกก็ย้อนถึงตัวเองว่าเจ้า ทำอะไรอยู่ยังไม่ได้ศึกษาถึงแก่นแท้เลยมัวแต่หลงอยู่ที่เปลือกไม่ถึงกับผีมันเลยเพราะเหตุใดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแบบคิดแบบนี้เป็นการท้อแท้หรือเปล่าครับพ่อช้างก็อยู่ที่เราท้อแท้หรือเปล่าคิดปไป แ, แ, แล้วาทาไมท้อแท้ก็ไม่ท้อแท้กินแล้วท้อแท้บ้าง ตรงทีก็รู้ว่าเออนะการปฏิบัติในทางธรรมนั้นมันยากกว่าทางโลกทางโลกนั้นก็คือเหมือนว่าไหลไปตาม น, น้ําแต่ทางธรรมนั้นเราต้องทวนกระเสะอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนเดินขึ้นเขาทางโลกก็เหมือนเดินลงเขาเราต้องยอมรับมันยากมันลําบากแต่ถ้าเราสู้สู้อย่างเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าความยากไปได้จ้า ก็เราก็ต่องต้องสู้จอมได้ว่าสู้แต่ว่านั่นแ่ละนะพระนอาจารย์ตัวนิวรมันก็จะเข้ามาเช่นความง่วงหมาหัวนอนมันก็จะเข้ามาเ ม, มืจะจะเ่อการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธบาิบางทีก็เราก็ง่วงนอนจะไปท่าอาจารย์ใช่อย่าไปหวังการปฏิบัติธรรมจะด g, สดวกสบายนะมันเป็นเหมือนการปีนเขามันต้องมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆมากมาย เราต้องมีความอดทนนะมนความเพียรพยายามมากถึงจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ดอาจารย์อย่ า, ยาทอ้อขอเราอย่าท้อก็แล้วกันยากก็ยากก็สู้แต่ยังยังไม่ได้อะไรก็สู้ไปเรื่อยๆสู้ไม่ถอยเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้วันลนิดไหวได้วันละหน่อยก็อย่างดีที่ไม่ได้ทําลูกคิดว่าอย่างนั้นก็ก็ับอาจารย์ถูกต้อง ทำเหมือนต่าดีกว่าทำเหมือนกระต่ายเ ต, ต่านี่ทําอย่างาสม่ําเสมอทําไปเรื่อยๆกระต่ายนี้ทําตามอารมณ์วันไหนมีอารมณ์ก็ทำพอไม่มีอารมณ์ก็เลิกไปเลยใช่ใช่เจ้าค่ะอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเวลาการตื่นพอถึงเวลาการตื่นมันก็จะปึ๊บของเขาเองการตื่นขึ้นมาแล้วก็เออนะนั่ง น, นั่งสมาธิแต่ว่านั้นแหละนะ ความขี้เกียจความง่วงนอนมันมันจะขัดเราอย่างเสมอแต่ในเรื่องของการสิ่งที่จะมารบกวนเสียงพ่อเสียงอะไรอย่างนี้ไม่เป็นทุกแห้วแต่มาติดอยู่ที่ตัวเองตอนนี้มาติดอยู่ที่ตัวเอง mm hmm. แต่ก่อนเคิดว่าเออมันมันต้องติดอยู่กับพ่อนะปัญหาต้องเป็นพ่อนะที่มาขัดขวางไม่ใช่พอเอาจริงๆแล้วมาถึงตอนนี้แล้วว่าตัวเราเท่านั้นที่มันเข็นแล้วไม่ขึ้น นั่ะมันอยู่ที่ใจของเราเราต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้เวลาขี้เกียจให้นึกถึงความตายบ่อยๆมันจะได้รีบร้อนขึ้นมายังไม่มีเวลาปฏิบัตินะถ้าขี้เกียจก็คําถามลูกไม่มีคำถามใชไหมคโอเคสา่า<ะ>คุณลูกศรจังยังไงมีลูกระเบดิดมาถายได้ยินข่าวมีระเบดิดกะ ในวัฒนการค่ะไม่ตอนนี้ระเบิดส ง, งบค่ะอาจารย์ไม่มีค่ะไม่เป็นปกตินะอยู่ที่ไอยู่ระเบิดคือถ้ามีระเบิดก็คือปกติถ้าไม่มีระเบิดนี่ผิดปกติค่ะอาจารย์อ่าดีค่ะยมยมก็ชินอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้จะไม่ได้ทุกอะไรค่ะอาจารย์มันมไม่ได้ทำให้ยมทุกในเรื่องแบบนี้นะคะอาจารย์เมื่อก่อนยมอาจจะกลัว อาจจะ ก, กังวลแต่พออยู่ไปอยู่ไปมันก็เฉยๆแล้วยิ่งพอมาฟังอาจารย์สอนเรื่อยๆอะค่ะอาจารย์ยมเดินทางไปนาลาธิวาตคนเดียวแล้วก็ไปเส้นทางที่ผ่านบ้านมาริกาค่ะอาจารย์เมื่อก่อนยมจะไม่ใช้เส้นทางนั้นเพราะว่าจากบ้านโยมไปนาาธิวาตจะมีได้สองเส้นทางคือไปสี่เลนทางตักใบกลับไปทางบ้านมาริกาที่เป็นสองเลนรถวิ่งสวนทางอะคะ่ะแต่มันจะใกล้กว่าโยมก็ไปเส้นนี้นะคะยมบอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิด มันจะไม่รู้สึกกลัวแล้วก็ไปคนเดียวก็ไม่ทุกข์ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนก็ไม่ทุกข์ค่ะอาจารย์รู้สึกมันชีวิตมันง่ายขึ้นค่ะอาจารย์ไม่คาดหวงังไม่ทุกข์อะอะไรไม่ทําให้ตัวเองเสียใจค่ะอาจารย์ mm hmm. ค่ะมันก็เลยมันมันรู้สึกชีวิตดีขึ้นสบายขึ้นแล้วก็โกรธน้อยลงค่ะอาจารย์รู้รู้ว่าถ้าจะโกรธก็ไม่รู้สึกว่าอารมณ์แบบนี้ไม่ค่อยมีเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วค่ะอาจารย์ มันมันดีขึ้นค่ะอาจันใช่ก็โกรธไปก็ไม่เกิเดประโยชน์อะไรค่ะไม่ไม่ได้โกรธค่ะพอรู้สึกพอปุ๊บอ่าเราเริ่มแข่งแล้วนะจะรู้ตั ว, <ม>ตวเองเราเริ่มแข่งแล้วนะเราจะไม่โกรธคำของอาจารย์จะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอาจารย์รู้สึกมันมันใช้ในชีวิตทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ยมบอกว่ายมจะไม่ทําให้ตัวเองเสียใจจะไม่เอาคนอื่นมาทําให้ตัวเองเสียใจจะไม่คาดหวังกับอะไรค่ะอาจารย์ถูกต้อง อย่าไปหวังอะไรเดี๋ยวจะผิดหวังค่ะยินดีตามมีตามเกิดใช่ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของสถานการณ์ที่นี่โยมก็ก็อยู่มาตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่โยมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กเด็กก็มันเป็นแบบนี้มาตลอดอะคะ่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะจางก็เป็นเรื่องธรรมนามะใช่ค่ะก็เลยไม่ได้มาเป็นกังวลก็คิดว่าเมื่อถึงคราวถ้ามันจะไปมันจะตาย ม, มันตายอยู่ดี อ, อยู่ ก็ต้องตายอยู่ดีค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ถ้าเราพิจารณาความตายแล้วเราก็จะไม่ค่อยวิตกกับอะไรใช่ค่ะไม่ไม่ได้กังวลเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่กังวลอะไรใช่เชืม่มันเหมือนกับไม่ใช่ว่าเราไม่ดูดำดูดีนะคะอาจารย์แต่เรารู้สึกว่าเราเรานิ่งขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็รู้สึกเราสบายวิตเราสบายขึ้ น, นะคะ่ะตอนนี้ไม่พ้นเนี่ยใช่เราจะต้องเจ็บตายด้วยกันทุกคนใช่ แล้วพอมาฟังธรรมอาจารย์ ว, วันพุดอย่างนี้พอเข้ามาฟังธรรมใช่ไหมคะอาจารย์เทศสอนน้องๆโยมก็รู้สึกเอกลับมาใช้กับตัวเองน้อมนำมาใช้ค่ะอาจารย์มันมลังค่ะอาจารย์โยมขอบพ<ช>คะนะคะไ ม, ไม่มีอะไรนะคืนนี้ไม่มีค่ะโยมทุกอย่างแล้วค่ะอาจารย์สบายค่ะอาจารย์โอเคไปที่คุณสันนี่ต่อซันนี การนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนุก็เข้ามาฟังร่วงฟังธรรมแล้วก็การนมัส ก, การพระอาจารย์ยังไม่มีคําถามค่ะไม่มีคาถามอะไรเลยเนะีแม่ยบายคุณแม่สบายดีเลยคุณแม่สบายดีค่ะยังเหมือนเดิมก็พระอาจารย์ยังติดตามอยู่ใช่ค่ะทิ้งไม่ได้นะ <laughs> ข่าวสําคัญ <laughs> ค่ะ แต่ก็บอกแล้วค่ะที่พระอาจารย์บอกให้คุณแม่ไปท่องอานิจจังอนัตตาคุณแม่ก็ท่องอยู่ค่ะอืมแต่ไม่ได้ผลยังทุกข์ขังอยู่ยังทุกข์กัมมันอยู่นะก็ยังเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกแต่ก็ยังแบบทิ้งไม่ได้แบบยังแบบเลิกเลิกแบบติดตามเลิกที่อยากจะเล่นยังไม่ได้ค่ะพระอาจารย์อืม ม, มันไม่ใช่เป็นของที่จะเลกได้ง่ายๆเนาะของพวกนี้ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็แล้วแต่เป็นข้อสอบเป็นข้อสอบใช่ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าหนูโชคดีที่แบบสลัดหลุดเร็วหลุดทันไม่เข้าไปในวงวนนั้นตอนนี้ไม่สนใจเลยเฉยเฉหนูเฉยเฉยค่ะไม่สนใจแล้วก็แต่แอบจะแบบถ้าแบบ แม่เขาจะชอบเปิดเปิดวิเคราะห์ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบแต่ก็พยายามทําใจว่ามันก็เป็นแค่เสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็จะพยายามเจริญสติแต่ว่าช่วงนี้สารภาพว่าเอ่อวิริยะความเพียรลดลงไปแต่ก็เนี่ยคะ่ะก็พยายามเข้ามาขอกําลังกําลังแรงกําลังใจจากพระอาจารย์คะ่ะก็พยายามฟ <laughs> ิตถึงความตเจื่อย ค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่เพียนตอนนี้เวลาหมดก็ไม่มีโอกาสได้ที่จะได้ทำค่ะพระอาจารย์ก็หนูจะพยายามเพิ่มความเพียนมากขึ้นค่ะเพิออ่มความมันเ ล, ลิกถือมานะนาสติบ่อยๆขึ้นค่ะพระอาจารย์ จ, นนจะนำะไปปฏิบัติตี่นี้จะกระตุ้นให้เราได้มีความกระตือรือร้อนค่ะพระอาจารย์โอเค ค่ะอาจารขอบคุณค่ะอ่าไปที่คุณก็ก็วันนี้ก่อนสุดท้ายเลยเข้ามายังกับนอกจังะอาจารย์เสียงใครเสียงายเนะใช่ค่ัดครับพี่ต็มพี่ติมาจับรูกตาด้วยกันเลยทุกครู้มครับโอน่ากลัวสุดที่รู้เลอ How are you? Good. Good. Okay. You d o n t go to school now. today? Um, uh, นน uh, uh, Nang Dong uh, uh, uh, uh, oh, okay. a n g y e bye, long d a Ah, t o d s l e s t h o o l t o d a y y e Now it's only o c o c k 7 o c o c k h e r e Ah, 7 o 6 a yes. y e e s y s e What did you do for the past four days? Ski. ชอบไปสกีมาตัวค่ะสกีแล้วโอเคใช่ค่ะชอบออกกำลังกายอยู่แล้วสวดมนต์เป็นไหมสวดมนต์เป็นไหมหนูสวดมนต์เป็นมหนูอานาศีทุกวันใช่คะสวดสั้นๆวพยายามสวดทุกวันนะอ โอเคเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีนะแตเพ่เดี๋ยวขอให้อีกคนหนึ่งนสสวัสดีนะแม่สักค่ะได้ๆรับคุณมากๆยินดีให้ทุกคน100 people คนนี้คนล็กเลยคนนี้คนแรกค่ะ What's your name ชื่ออะไรครับ What's your name ค่ะ p e s e รูปปั้นของคุณค่ะ p l e s e what ค่ะ p l e s ครับ เราให้หนูตาฟังได้ไหมว่าเธออยากจ o ด h a t did you do for the last four days สนุกไหมครับสนุกสนืกโอเคส่วนนเป็นไหมเราส่มนนเป็นยังไงจบไดไหมคับได้นิดหน่อยใช่ไหมอั้หน่ออ่ะโอเคอานส่วนหน้โอเคอันดีครับ สองคนชอบออกกําลังกายด้วยค่ะอพอเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่เขาก็เล่นด้วยกันได้ตลอดปั่นจักรยานด้วยกันว่ายน้ําด้วยกันไปสกีด้วยกันเอะไรค่ะอืมก็ก็ดีจะได้แข็งแรงจังค่ะอลันลนลน ง, นนงนั้นกขาเน้เน้นทางด้านทางร่างกายพัฒนาทางร่างกายทางด<า><า>้านจิตใจนี่ <ใจ S 1> นเขาไม่รู้เรื่องเลย่ะ พี่เอวสอนแล้วก็ครูอาจารย์แต่ว่าก็สอนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยเรื่องศีลห้าเขาก็เข้าใจเวลาอาราธนาแม่ก็แปลให้ฟังค่ะแต่ว่าถ้าจะกล่าว่าเปิดฟังเทศให้เขาฟังแบบง่ายๆก็ยังยังหาช่องไม่ถูกหรืออาจจะเป็นหนังสือดีไหมคะอาจารย์แต่ว่าจะสนใจไหมถ้าเขาไม่สนใจก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วเข้าอยู่ในทางการกระแสของทางโลก การท mm ี่เราจะสอนแทรกทำให้เข้าไปในมันยาก uh huh. ขนาดอยู่ในเมืองไทยยังสอนแทรกเข้าไปยากเลยนะเด็กสมัยนี้เขาถูกกระแสาทางโลกดูดไปหมดนะค่ะอาจารย์แต่ว่าที่นี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือพอเขาอ่เราไม่ไปเดินห้างกันเลยนะคะเพราะว่ามันมีกิจกรรมอะไรให้ทําหลายอย่างเขาก็ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างน้อยเขาไม่ oh. ไม่แบบ ไม่ติดเ <Okay. S 2> ไม่ติดวัตถุนิยมจะเป็นเป็นสายแบบดนตรีเล่นกีฬาแล้วก็พยายามปลูกฝังเขาแบบนั้นนะคะแล้วก็สอนมันสอนโมเวลแบบให้เป็นคนคายนะทนไร้อะไรเนี้ยค่ะคือมันต้องมีสถานที่ไปเช่นมีวัดอะไรอห้มันมันจะง่ายกว่าถ้าเราไปพาเข้าไปทำกิจกรรมที่วัดด้กยกในแถ้าไม่มีมันไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นอ่ะทำน เราจะได้ไประโยชน์อะไรยังไงเจ้าค่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะน้อมนําไปปฏิบัตินะทุกคนการทำนั้นทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันอันนี้ไม่เลยแม้ครับว่าจะทําไม่ได้สอนได้บอกได้ก็ดีอยู่ที่ว่าก็จะน้อมนําอาไปกระทําได้หรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ะแม่แต่อยู่ในเมืองไทยก็ยังยากอย่างเมื่ อ, อ, อตอนเริ่มต้นรายการก็มีแม่คนหนึ่งก็พยายามน้อมนำให้ลูก้ามาทำทํำก็ยัง ทำไม่ก็ได้แล oh. มันเกี่ยวไหมคะว่าถ้าชาติก่อนๆเขาเคยศึกษามากหรมันก็มีส่วนมันก็มีส่วนถ้าถ้ามีนิสัยไปในะทางโลกมันก็จะเดินมายากถ้ามีนิสัยมาทางธรรมมันก็จะเข้ามาได้ง่ายกว่าครับุกท่รเรามีหน้าที่มีหน้าที่สอนบอกเขาก็ทําไปกันแล้วกันส่วนจะได้มากไดน้อยก็แล้วแต่ ภ า, านะอาารย์มอง ว, ว่าต่อให้เขาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนข้างในดีแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มาศึกษาปฏิบัติเรื่องทางศีลภาวนามันก็จะวนอยู่อย่างนั้นมันก็จะมันก็มันก็จะวนอยู่ในบาดาลสงสารอย่างนั้นใช่ไหมพ่อขาพเจ้เขาก็จะทําทไปตามนิสัยเดียวถ้าเขาถ้าเขาไม่มีธรรมะมันก็ยังไม่มีธรรมะแต่ถ้าเขามีธรรมะแล้วมันก็จะมีธรรมะออกมา จากใจเขให้มีความเมตตากริญนาเป็นต้นถ้าไม่มีเราก็ต้องสอนเรต้องสอนให้เขามีเมตตาอยาเบียเบียนอย่าทำร้ายผู้อย่าสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้ให้ให้ความสุขกับผู้ด้วยการทำความดีกับผู้ ตอนนั้นเขได้ทําทานบ้างเองเดีแต่ที่นี่ก็สอนยากเพราะทุกคนก็มีฐานะมีเงินมีฐานของกันเองก็เลยไม่จะไปทาทานกับใครต้องมีบางที่ที่เป็นโฮมเลสนะคะพอาจารย์ก็จใจเขาไปช่วยเตรบยมอาหารที่แบบว่าเป็นหน่วยงานอะไรเงี้ยให้ก็เห็นว่าเออก็มีคนที่เขาลําบากมีช่วยเหลือได้อะไรอย่างเงี้ยพาน้อนะไปบทคิดก็ได้มบทคิดเขาสอนให้คนมีความเมตตา อชช่วยเ<ช> <นะ S 2> หลือกันตัวเขียนพยากาล้วายามให้อยู่ในในสายทราที่อาจจะสื่อขันงรือธรรมะที่เป็นปภาษาคลิปให้น้องไอ้แล้วก็แต่เทานั้นไม่มีไม่มีวัดไทยไหนไี่เจ้าค่ะพะอาจารย์แต่ว่าขอขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดไมีเจตนาไม่ไดีคะกลัวกลัว อ, อกหักกลัวเจอกลัวเจอกลัว มีแต่โมลิ่ไอเดียม่เ<ไ>ป็นอะไรพูดไม่ได้ค่ะวันน้องพูดไม่ได้มันเหมาะกัเป็นยูนิฟอร์มแต่ว่าข้างในแบบไม่ใช่กุ้งกลัวอย่างนั้นนะคะอาจารย์แต่จริงจริไม่ไม่ได้ตั้งใจจะปาดมานะคะแต่ว่า อ, อิมีความความกังวลตรงนี้แต่ว่าเวลาเราอยู่เมืองไทยเนี้ยตอนน้องเด็กๆ ก, ก็ไปใส่บาตที่วัดปัดทึงประจำเพราะว่าบ้านบ้านอยู่ในเมืองแล้วก็ก็ไปฟังธรรมแต่อยู่ที่นี่ยังยังไม่เคยเลยคะ่ะแต่ <gas> จะลองดูในเจ้าขาจะลองดูเ <Maj> จ <Science> uh, uh. ้าาก็ต้องทดลองดูถ้าเห็นว่าไม่เข้าท่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปอาคจไปแล้วได้ประโยชน์ก็ไพค่ะค่ะคิดวัาแล้วก็หนังสือกับการที่ได้ไปทำทานไปช่วยโฮมเลสก็อาจจะออุกฝังความ เมตตาการแบ่งปันปให้เขาด้วยแล้วค่ะอาจารย์้เรามีเมตตามีศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทาร้ายผู้อื่นค่ะค่ะค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีเลยจ้ะค่ะั้งใจจะกลับม า, ากลับออกมาสักดาสัดาแล้ค่ะโอเคเดี๋ยวทาันนี้ก่อนนะค่ะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครัไปที่คุณลาต่อคุณละ ค ก, ก, การบับนมสการคระพระอาจารย์มีทั้งหมดหกคำถามจากทางเฟ e b ุ o k และยู u b e เจ้าค่ะกราับนมรส ก, การพระอาจารย์ครับอาหารที่นำไปไหว้พระพุทธรูปไหว้เจ้าที่ไหว้บรรพบุรุษเมื่อไหว้เสร็จแล้วเรานำมาถวายพระให้ได้ฉันสามารถทำได้หรือไม่ครับควรทำไปถวายพระก่อนจะดีกว่า ถ้าจะไปถวายพระก็ไปถวายพระเลยพราวาพระพุทธรูป ม, มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามต่อไปการเงียบไม่พูดความจริงออกมาถือเป็นการโกหกชนิดหนึ่งหรือไม่ครับไม่หรอกถ้าเราไม่พูดอะไรมันก็ไม่ได้เป็นการพูดพูดโกหกแลพูดความจริงเพียงแต่ไม่ได้พูดคำถามต่อไป การพิจารณากายจําเป็นต้องพิจารณาให้ช่ำชองโดยเรียงลําดับอาการสามสิบสองแล้วเป็นอสุภะแล้วค่อยเป็นธาตุสี่ดินน้ําลมไฟหรือไม่ครับก็ควรจะรู้ทั้งทั้งสองอย่างรู้ว่าร่างกายนี้มีอาการอะไรบ้างแล้วต่อไปเมื่อมันตายไปมันจะกลายเป็นอะไรไปคําถามต่อไปจากคุณพัชรวัตร ทุกครั้งลูกได้ฟังข้อธรรมที่หลวงพ่อสั่งสอนทำให้จิตรู้ตามคําสอนของหลวงพ่อใจลูกก็จะเย็นอย่างนี้ใช่ปัญญาหรือไม่ครับก็มันก็อาจจะเป็นปัญญาแบบชั่วคราวเดี๋ยวก็ลืมได้ถ้าจะเป็นปัญญาแบบยั่งยืนต้องเกิดจากความคิดของเราเองอันนี้เราอาศัยความคิดของคนอื่นนาพาให้คิดไปก่อน ต่อไปเราต้องรู้จักคิดเองถ้ามันคิดถ้ามันออกมาจากความคิดของเราเองมันก็จะเป็นปัญญาที่ยั่งยืนตอนนี้มันอาจจะเป็นปัญญาแบบชั่วคราวพอได้ยินก็ออกมาใช้เดี๋ยวพรเดี๋ยวก็ลืมไปค่ะคําถามต่อไปจากคุณธรรมชาติขอเมตตาแนะนําวิธีบอกคนที่ไม่ชอบแมวให้วางใจอย่างไรเจ้าคะ ก็เร no. ื่องของเขาจะไปบอกไงก็ได้เขาไม่เช่าเขาเขไม่ชอบเลยสิเราอย่าไปยุ่งของเขาดีที่สุดคำถามสุดท้ายจากคุณจูบขอความเมตตาคําถามเกี่ยวกับความเพียรสี่ประการข้อที่หนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานข้อที่สองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่สามเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน ข้อที่สี่เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมข้อที่สี่นี้ทําอย่างไรครับกราบขอบพระคุณค่ะข้อที่สี่แล้วทั้งสี่ข้อข้อที่สี่เจ้าค่ะเพียงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมอ๋กุศลก็คือเช่นเราทําบุญทําทานอยู่ใส่บาตรเป็นประจําทุกวันเราก็ใส่ต่อไปอย่าไปขาดนล้อย่าทําให้น้อยลงทําให้มากขึ้น เคยใส่เคยใส่แค่นี้เราอยากจะให้มันเพิ่มขึม้นก็ใส่เพิ่มเป็นสองเท่านีแต่ไม่ให้ลดลงเป็นต้นนเป็นการรักษากุศลที่เราได้มีไว้ไม่ให้หายไปเคยรักษาศีลได้กี่ข้อก็พยายามรักษาต่อไปคงไว้อย่าให้มันาหายไปเรียว่ารักษาบุญกุศลที่เรามีอยู่ไม่ให้หายไปหมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็พอสมควร ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ